อาจารย์ครับการอภิษการครับผมจรานพรคุณบมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสองนะครับพระอาจารย์ครับเมื่อเช้าพระอาจารย์ไปบิณฑบาตคนเยอะไหมครับวันนี้มากหน่อยค้าร้อยสามสิบนอ๋อเพราะเพราะเพราะว่าหยุดยาวไหมครับพระอาจารย์ ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะพวกนี้มีวันหยุดช่ดเชยวันหนึง่งครับพวกมีพระอาจารย์เลยต้องแถมเทพอีกวันหนึ่งนะครับอ่าก็เป็นเรียกวันกำไรบุญครับผมและตอนบ่ายคนไปฟังธรรมมากไหมครับอาจารย์ประมาณสองร้อยคนรวมกั<อ>นทั้งหมดก็ทัดที่บ้านโดยกประมาณเก้าร้ยหกสิบคนวันนี้ครับผมกลับจากทูคับพระอาจารย์ครับ อาจารย์ช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายกับโลกสังคมเยอะครับเล็กอยากจะมาฟังทำให้จิตใจสบายขึ้นครับอาจารย์กราบขอบความเมตตาพระอาจารย์แนะนำว<ม>ิธีปิด<ม>ครับครับก็เรื่มตายนักกันนะพวกเราเรืมตายรักกันนะโลกกธรรมคือราบยศสรรเสริญสูง ม, มันก็เป็นตายรมีเจดิญมีเสื่อมเป็นธรรมดาควบคุมบังคับมันไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัย หลายด้านด้วกันที่มาทําให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการสับสนวุ่นวายกันไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ต้องวุ่นวายไปกับมันถ้าไม่อยากจะวุ่นวายก็ไปหาความสุขแบบพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์คือไปอยู่ไปอยู่กับความสงบมันมันมีสองทางเรื่องไงความสุขเนี่ย ความสุขทางธรรมกับความสุขทางโลกความสุขทางโลกเป็นอนิจจังทุกขังมโนตาความสุขทางธรรมเป็นบรลมังสุขังคําสอนก็ชัดชัดอยู่แล้วแต่เลือกเลือกกันไปหาความสุขทางโลกกันเองความสุขกันเลื่อนบเสดบปลมังสุขังนิบานังบาลมังสุขังนี่ไม่เอากันเพราะไม่ได้ศึกษาจริงๆถ้าศึกษาจริงๆแล้วมันไม่ยากหรอก เหมือนกับทำไมที่เราเป็นเด็กนี่พอพูดถึงการเป็นหมอนี่โอ้โหมันยากสุดยากใช่ไหมครับแต่พอศึกษามันก็มีขั้นมีตอนของมันถ้าเราเรียนตามขั้นตอนที่กองกาหนดมาเราสอบผ่านสอบผ่า น, านมันก็มันก็เข้าได้ก็จบเป็นหมอได้อันนี้ก็เหมือนกันมีขั้นตอนใ ห, ให้ให้การปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานทานสิงภาวนาเนี่ยท่านสอน ทำตามขั้นตอนทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ฝึกสมาธิไปแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปตามตามลำดับจากน้อยไปหามากเดี๋ยวก็ได้เองเดี๋ยวก็ถึงเวลาก็ได้เองอย่าไปยุ่งกัลบลาภยสศสนเส ร, ริญสุขเลยถ้าไม่อยากจะวุ่นวาย ถ young, ้าไปเกี่ยวข้องมันก็ต้องวุ่นวายแน่นอนครับเหมือนไปเล่นกับไฟเนี่ยไปเล่นกับไฟน่งเลยโลกธรรมนี่เป็นเหมือนกองไฟพุทธเจ้าบอกรูปเสียงเกิดร้นผสดสภาพนี่เป็นเหมือนไฟไฟที่ไฟที่เกิดจากราคะโมหะราคะโทสะโมหะไฟนี่เกิดจากความโลมความโกรธความหลงพอเห็นราพยศชนสัสุขเมื่อนล กัดความโลภ ก, กันอย่างได้ขึ้นมาได้แล้วพอไม่ได้หรือ พ, พอเสียไปก็โกรธเสียใจทุกข์้นมาน้องคิดว่านี่แหละคือความสุขนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันต์สาวกนีน่ท่านเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นตาลักอันนี้จำมีจรรยามีเสื่อมเป็นธรรมนา เป็นอัตตาไม่เปนใครไปสั่งการมันได้ว่าให้มันเจริญอย่างเดียวแม่้มันเสือ่อมทำไม่ได้พอเวลามันเสือ่อมก็ทุกข์กันมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนพวกเรามาเกิดแล้วแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากพวกที่เราพวกเราตายไปแล้วแล้วพวกเรากลับมาเกิดใหม่จําไม่ได้กลับมามาเกิดม่รกี่รอบแล้วก็มาเจอเรื่องเดิมๆอย่างนี้ ดังันเาืักษณ์ของรับยศสรรเสริญสุขเนี่เป็นการจะมาเจอคนฉัาดอย่างพระพุทธเจ้าในพ ร, ระารสารสาวกที่สอนให้เราเห็นโทษเห็นตายรักในโล ก, กธระมทั้งสีน่นี้แล้วให้เรามาหาความสุขที่ยังยืนเท้าว่อนดกว่าเป็นสุขของพระนิพพานปรมังสุขขังด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนา อาจารย์ครับมีคนคอมเมนต์ถามว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นอย่างหัวข้อเนี้ครับจะทํำยังไงให้แบบสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ครับอาจารย์ครับก็ถ้าเราไม่เคยทําือทำทานมาก่อนเลยไม่เคยคิดที่จะแบ่งปันเงินทองให้กับคนอื่นเลยเราก็ลองเริ่มจากร้อยไปหามา ก, ก่อนเนี่ยทำไปนี้จะบริจาคเงินร้อยละสิบของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็ได้นะแต่ไม่เอาในรงานอย่างนี้เรากำหนดว่าเราจะบริจาค แสนหนึ่งเจ็ดร้อยละสิบจะต่อเดือนหร้อต่อปีแรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำไปแล้มันก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นมนาะคือการทำบุญทำทานที่เราสามารถเลือกทำได้เลือกทำในในส่วนที่ทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นนะเช่นถ้าเราอยากจะสงงคระสั ต, สตว์เราก็ไปทำบุญกับพวกสัตว์กันได้บางคนไม่ชอบ ไ, ไ, ไปไปทาย ถทายชีวิตวัวควายที่เขาจะอาไปฆ่าไอ้พวกบางคนก็สงสารช้างไม่มีที่อยู่ในป่าก็โมนิทิชช้างอะไรก็ว่าไปเลือกทําได้ไม่จําเป็นจะต้องทํากับวัดอย่างเดียวคนที่เลือกทํากับวัดเพราะเาเห็นเขามีความผูกพันเขาเห็นความสําคัญของวัดของศาสนามาโลกวันนี้ถ้าไม่มีศาสนานีจะมีใครมาสอนเราให้เราปฏิบัติให้รุดนพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ คนส่วนใหญ่ก็มักจะทําบุญกับวัดแต่ก็ไม่ได้ว่าความว่าต้องทํากับวัดเพียงอย่างเดียวบางทีวัดมีมากเกินไปทางวัดก็ต้องมาเอามาทําช่วยเหลือทางโลกอย่างน้องตามมาบววท่านก็มีคนบริจาคให้ท่านมากท่านก็ที่วัดก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเงินใช้มากมายท่านก็เลยเอามาบริจาคให้กับครรหลวงนะครับถ้าทําบุญกับวัด ถ้าทำบุญกับพระที่ไม่โลภท่านก็จะไม่เก็บเอาไว้สะสมอะไรตายไปนีท่านไม่มีสมบัติไม่มีเงินทองหรือไม่มีในบัญชีอย่างลวงตาท่านเสารใไว้ก่อนตายเงินทองที่คนมาไหจากในงานศพก็เอาเข้าคังหลงไหหมดเลยแ้นเลือกทำบุญได้ทำกับวัดก็ได้บุญทากับ สัตว์ก็ได้บุญทําบุญกับโองพยาบาลก็ได้บุญโรงพยาบาลก็ขาดการเครื่องบุญเยอะแยะขาดการทําบุญกับโรงพยาบาลทาบุญกับโรงพยาบาลเราชอบอย่างไหนแล้วก็ทําอย่างนั้นนั่นเราจะเกิดความรู้สึกในความสุขใจเราก็อาจจะอยากจะทํามากขึ้นเมื่อก่อนเราหลงกับความใช้เงินในการไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อรถรุ่นใหม่ดีไหมซื้อราคาเครื่องใหม่ดีไหมซื้อของหรูหราดีไหมอะไรพวกนี้ พราะว่านี่มันเ็นความสุขความมันความสุขเดียวๆได้มานแ้เดี๋ยวมันก็หมดหมดความหมายไปแล้วทําให้หิวอยากจะได้ของใหม่เรื่อยๆไม่ไม่ทําให้ใจอิ่มพอเหมือนกับการทําบุญการทำบุญไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขอิ่มพอถ้ามันมีความอิ่มพอมันก็ไม่ต้องเล่นล้นหาเงินมามาตอบสนองตัานทาความอยากอันนี้ก็ลดตัานทาต้นเหตุของความทุกข์ได้วยการทําบุญทาทาน พอเราทำบุญทำทานได้แล้วก็จะมีจิตเมตตาไม่อยากจะเบดเบียนพูดเราก็จะรักษาศีลท่าได้อย่างสบายคนทำบุญนี่จะไม่ชอบทํำบาปจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบรักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกลางไม่พูดปดไม่เดื่มโซดายาเมาเ <c oughs> มื่อรักษาศีลได้ก็ทําให้ใจในี้สงบเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถมี ตามที่มีสติพอที่จะไปฝึกสมาธิได้เรื่องจุดมันเป็นขั้นตอนของมันทําไปเถอดพระพุทธเจ้าสอนให้ทําตามขั้นไปมนเรียนหนังสือแล้วก็เริ่มต้นจากขั้นอนุบาลจากอนุบาลก็ขึ้นปฐมจากปฐมก็ขึ้นชั้นมัธยมจากมัธยม่็ขึ้นสูงดดศึกษาทางก็เหมือนกับชั้นชั้นอนุบาลเสียงก็เหมือนกับชั้นปฐม กับมัธยมศีลมีสองระดับศีลห้าศีลแปดพอศีลแปกก็อยู่ระดับมปลายก็สามารถเข้าสู่มหลาลัยก็เข้าภาวนาได้พภาวนาะก็มีสองระดับสมาธิกับปัญญาทําไปเป็นขัน้นเป็นตอนไปเดี๋ยวพอถึงขัน้นปัญญามันก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิฎารามีพระนาคามีพระอรหัานได้ แต่ต้องทำอย่างต่อเนี oh. hmm. mm ่ยเหมือนกัรเรีย um นัเรียนหนังสือน่ทั้งโลกนี้ก่อนจะเป็นหมอได้ใช้เวลาเท่าไหร่เป็นหมอกี่ปียี่สิ้ีสามถ้าทางทำบู้าบอกไม่ก่อนเจ็ดปีท่านหนึ่งสั้นกว่าเยอะแยะเป็นสติปัฏฐานสูตรท่าอดถ้าถ้าฉลาดถ้าเก่งความเพียรดีเจ็ดวันก็สามารถบรรลุได้ถ้ามีบริกมีบุญเก่าติดตัวมา พอปฏิบัติสติปัะทานจะนั่งสตินั่งสมาธิพิจารณาตายรักได้ภายในเจ็ดวันก็บรรลุทมได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนอถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีครอจาจารย์พยากรณ์มแล้วในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรนีมน้มันเป็นหลักสูตรขั้นระดับอุดมศึกษาของพุทธศาสนาสอนเรื่องสติสมาธิและปัญญา กับพระคุณพระอาจารย์ครับรอาจารย์ครับมีคนถามว่าทำดีหวังผลกับคนที่ไม่ทำบาปเลยแบบไหนดีกว่ากันครับคือมันคนละเรื่องกันอะทำความดีมันมีผลอยู่แล้วจะหวังไม่หวังคือมันคือความสุขใจความเอืภูมิใจความสุขใจความสบายใจความปลื้มใจบางทีทำบุญกับพ่อกับแม่ทำความดีกับพ่อกับแม่ เนพ่อแม่มีความสุขจากการทำความดีของเราแล้วก็มีความสุขในความพลื้มใจซึ่งถ้าไม่กระทํำบาปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่กระทํำบาปมันก็ดีที่ว่ามันจะได้ไม่ไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนมันคนละเรื่อง ก, กันไม่มันอยู่คนละระดับกันเรื่องทานกับเรื่องการทําความดีนี้อยู่ในระดับทานเรื่องการรักษาศีลไม่ทําความชั่วนี่อยู่ในระดับศีลมีอันนี้สองต่างกัน ก็ดีทั้งสองอย่างคนที่ไม่ไม่ทำบาปก็เป็นคนที่ไม่คดโกงใช่ไหมเป็นคนที่มีเครดิตน่าเชื่อถือคนที่ทำความดีก็เป็นคนที่ให้ความอบอุ่นให้ความสุขแก่ผู้อนมันก็ต่างกันตร ง, ทท ง, อ ง, องนี้ต้องทำทั้งสองอย่างพูดง่ายๆก็ต้องทำทั้งสองอย่างบาปก็ไม่ทำความดีก็ต้องทำจะวังผลไม่หวังผลไม่เป็นไร อย่าไปหวังผลจากผู้ให้ผู้ที่เราไปทำความดีด้วยถ้าทาทำความดีแล้วหวังจะให้เขาเลื่อนับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้เราอย่างนี้มันนี้อย่าไปหวังเพราะบางทีมันได้บางทีมันอาจจะไม่ได้แต่สิ่งที่ผลที่เราจะได้จากการทำความดีคือความภูมิใจความสุขใจของที่เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้ต่างหากคือผลที่เราต้องการ มีคำถามจากคุณมีนาครับหลังๆคนเป็นโรคความจำเสื่อมเยอะขึ้นรวมถึงคุณแม่ด้วยเราจะได้ยินคุณหมอหลายท่านออกมาพูดว่าสิ่งที่ป้องกันได้ข้อนึงคือการต้องเข้าสังคมพบปะผู้คนบ่อยๆอย่าอยู่คนเดียวเพื่อให้สมองได้ทำงานและเกิดความสงสัยว่าการที่เราสันโดษอยู่คนเดียวที่บ้านพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติจะมีความน่ากังวลความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมไหมครับเราควรจะวางตัวหรือปฏิบัติอย่างไรครับ ความรู้แบบนี้เป็นความรู้ทางโลกซึ่งไม่ใชไ่ไม่ต้องหลักความเป็นจริงเรื่องของความจําตามหลักความเป็นจริงจากการปฏิบัติจิตตภาวานาเนี่ยความจำนาดีไม่ ด, มดีอยู่ที่สติดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ว่าจะอยู่กับคนนั้นหรืออยคนนี้หรือไม่คนที่มีสติดีสามารถจำอะไรได้เยอะแยะผ้าหนอนเนี่ยสามารถจำพุทธสูตรต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ได้เยอะแยะเป็นหมดเลย แลท่านก็ไม่ได้ไปอยู่กับสังคมที่ไหนท่านก็อยู่เป็นผ้าของท่านอยู่สงบสงัดวิเวกติดตามพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนก็ติดตามไปฟังแล้วก็อามันจดจํำอาไว้ทุกการเทศที่พระพุทธเจ้าแสดงในผ้าอนุนจำไม่จำไว้หมดเลยแล้วถ้าเกิดผ้าอนุนติดธุระไม่สามารถติดตามไปได้ก็ขอร้องให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงธรรมให้กับผ้าอนุนจำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะั้นผ้าอนุนจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปเนี นั่นมันอยู่ที่การการใช้ใช้ความคิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะจําได้ฉันนึกอยู่เรื่อยๆนึกถึงชื่อเราชื่ออะไรก็ น, นึกไปอยู่เรื่อยมันก็จะไม่ลืมครับทุกวันตื่นขึ้นมาถามว่าเราชื่ออะไรครับ <Convers> มันไม่ได้อยู่ที่ว่าไปพบปากกับสังคมเพราบว่าใครมันก็เหมือนกับที่คุณหมอเรียนหนังสือคุณหมอจะจําได้เพราะอะไรต้องท่องอยู่เรื่อยๆใช่ไหมท <c Tail. S 2> ่องจําอยู่เรื่อยๆความจํามันอยู่ที่การท่องถ้าท่องอยู่เรื่อยๆมันก็จําได้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องพบปะคนในสังคมหรอไม่เกี่ยวกันคนที่พบปะในสังคมก็เป็น outside เาามือ ก, กันเยอะแยะทำบุญด้วยผ้าห่อศพจะมีอานิสงส์อย่างไรครับอาจารย์ก็เป็นผ้าอย่างหนึ่งจะเป็นผ้าหอ่อศพหรือเป็นผ้าสมัยนี้เขาไม่นิยมคือผ้าห่อศพนี้มันหมายถึงผ้าที่พระเข้าไปเก็บมาในป่าชา แต่ถ้าเราจะถวายของให้พระแล้วไปเอาผ้าหอ่อศพที่หอ่อศพมีเลือมีน้ำหนองเปื้อนอะไรถวายนี่มันไม่สดมันไม่เหมาะสมมันไม่มันไม่ควรเพราะว่ามันเป็นการมันการดูถูกเหยียดหยามผู้รับเอาของเรียสร้างไปให้เขาไม่ควรอย่ากระทำนั่นเรื่องของความสมัครใจของพระท่านที่ท่านเดินจะใช้ผ้าแบบนั้นซึ่งในยุคหนึ่งในยุคสมัยพระพุทธการมันไม่มีผ้าที่ดีถวาย ก็เลยต้องไปหาผ้าที่เขาหอ่อศพไว้ที่ไม่ในป่าชามาทำมาซักมาย้อมก่อนมาตัดมาเย็บเป็นจีวร อ, อีกทีหนึง่งการใช้ผ้าหอ่อศพนี้เป็นการฝึกนิสัยมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่ให้จุ้จี้จุกจิกผ้าบางรูปอาจจะต้องเอาผ้าสั่งมาจากอิตาลีมาสั่งมาจากมุมนอกบางถึงจะใช้ไดอ้อย่างนี้มันเป็นการไม่ความหลง สำนักผ้าจริงๆผ้าอะไรก็ได้ผ้าคีริ้วผ้าอะไรเอามาตัดมาเย็บมาปะมาต่อให้มันเป็นผ้ารุ่ใหญ่เพื่อหอมได้ก็โอเคคุณถามน่าจะถหมายถึงว่าเขาไปทําบุญเอาผ้าคอศพไปไปไปให้คนอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับเขาถามว่ามีใครจะรับหรือเปล่าสมัยนี้มีใครจะจะรับหรือเปล่าถ้าเป็นผ้าคอศพจริงๆเดี๋ยวนี้พวกมูลนิธิอมุน เขาจะประมาณว่ามูนิธิเขาเก็บศพอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก <si um ็เขาจะขาดแคลนผ้าที่เวลาออกไปเก็บศพก็จะมีคนเนี่ยซื้อผ้าไปถวายมูนิธิครับอาจารย์คนี่เรื่องผ้าผ้าเขาเอาไปใช้ห่อศพไม่ใช่เอาผ้าศพไปให้คนไปซักผ้าที่หัวใช่ไหมมันก็เป็นผ้าเหมือนกับเป็นวัตถุทานอย่างหนึ่งแล้วก็เปรียบเทียบได้กับเงานที่เราบริจาคไปสมมติเราบริเราบจาคผ้าไปร้อยบาทหรือห้าร้อยบาท แล้วอาหาร้อยบาทนี้ไปซื้ออาหารใส่บาตมันก็ได้อันที่สองเท่ากันทาฐานแบบเท่ากันอันที่สองก็เท่ากันความสุขใจยินใจก็เท่ากันปฏิบัติทำมาหลายปีครับแต่เขาบอกว่ายังติดสงบขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับไม่จริงร่ะยังไม่มีความสงบจะไปติดเั็นได้ไงถ้ามันสงบจริงมันไปบวชแล้วพูดอย่างนี้เลย แต่มันสงบแล้วมันไม่อยากจะได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนล้เพราะความสุขจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขอให้ติดเถอะขอให้ได้ความสงบนะติดความสงมไม่เป็นพิษเป็นภยัยไม่เหมือนกับติดคกับติดรับรูปเสียงกลิ่นรสทวดเถอะครับต้องถือศีลห้าให้บริสุทธิ์ก่อนไหมครับถึงจะนั่งสมาธิจเจริญจิตได้ถ้ามีบกพร่องบ้างฝึกสมาธิเลยได้ไหมครับ ก็มีเวลานั่งได้ก็นั่งไปที่ที่ให้รักษาศีลมันก็จะได้ไม่เปมีปัญหาถ้าทาผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นส่งขึ้นศาลไปติดคุกติดตารางเนี่ยความหมายมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าเรามาทำไม่ได้ทำบาปถึงขั้นแบบที่จะทำให้เราไม่มีเวลามานั่งสมาธิมันก็ก็ใช้ได้พอถึงเวลานั่งสมาธิเรามานั่งได้ก็ถือว่าเราก็มีศีนพอเพียง แต่ตัวที่จะทําให้จิตสงบนี้ไม่ได้อยู่ที่ศีลตัวเดียวอยู่ที่สติด้วยถ้าไม่มีสตินั่งไปนอกใจปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปมันก็ไม่สงบอยู่ดีแต่ถ้ามีศีลก็ดีคือเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปไปแก้ปัญหาเรื่องเรื่องการทําผิดศีลของเราอาจะต้องขึ้นโลกขึ้นศาลหรืออาจจะต้องถูกเขาจับไปขําคุกขังตารางหรือว่าเราลาเวลามีคดีใจก็วุ่นวาย เวลานั่งสมาธิก็สงบได้ยากกว่าเวลาใจที่ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดเนี่ยนี่คือความหมายของการมีรักษาศีลคือไม่ให้เรามีปัญหากับเกิดจากการกระทำบาปของเราเวลาทำบาปแล้วใจมันมีปัญหาวิตกกังวลหวาดกลัววุ่นวายเวลานั่งสมาธิก็ไม่ทาใจให้สงบไม่ได้ แต่คุณสมพรครับบอกว่ามือถือทําให้ใจร้อนใจเร็วขึ้นคนใจร้อนมากขึ้นบางคนซึมเศร้าเพราะมือถือควรใช้หลักธรรมข้อใดดีครับก็อย่าไปใช้มันแต่เมื่อก่อนไม่มีมือถือก็อยู่กันได้นะไอเห็นโทษของมันก็อย่าไปใช้มันถ้าจะใช้มันก็ต้องใช้ให้มันด้วยสติด้วยปัญญาใช้ด้วยสติใช้ด้วยปัญญาใช้ด้วยเหตุด้วยผลมันก็ยังใช้ได้แต่อย่าใช้ด้วยอารมณ์เวลาหนาวขึ้นมารู้จะทำอะไร ก็เปิดมาเพื่อดูนู่นดูนี่ไปอย่างนี้มันก็จะทําให้กลายเป็นติดติดยาเหมือนติดยาเสพติดติดรูปเสียงกิดร็อตที่ได้มาจากมือถืออยู่คนเดียวเริ่มมีความคิดมากเพราะเริ่มอายุมากขึ้นผิดปกติไหมครับเหมือนตัวคนเดียวเลยครับมันก็จะว่าปกติแล้วเราเราจะเอาเกณฑ์ที่ไหนมาวัดว่าความปกติเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของแต่ละคน ข้อสำคัญก็คือจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเกณฑ์กี่คนก็สิ่งที่เราต้องการจะมีก็คือความสงบของใจขอให้เรามีรักษาใจให้สงบได้ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวก็ได้ไม่จะอยู่กับใครก็ได้คุณเอกชัยครับจิตเรามีดวงเดียวใช่ไหมครับแล้วที่ว่าจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคืออะไรครับอารมณ์ในจิต่ย จิตมีดวงเดียวแต่อารมณ์ในจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวบางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็สงบบางทีก็วุ่นวายบางทีก็เครียดบางทีก็เศร้าบางทีก็เบิกบานสดชื่นเบิกบานอั น, นี้ก็คืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตที่เกิดดับเกิดดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมนแบบเหมือนกับจอโทรทัศน์ที่เราดูอยู่ตอนนี้จอมันก็มีอยู่จอเดียวเนี่แต่ภาพที่ปรากฏในจอนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อย เดีวก็มีภาพนั่งขึ้นมาเดี๋ยวก็มีภาพนี้นขึ้นม า, ม า, นนนมาสลับกันไปสลับกันมานั่นแหละคือลักษณะของจิตที่เปลี่ยนไปเปลีนนะ่ยนมาคือภาพบนจอโทร ท, ทัศน์ของเราเนี้ยการที่เราไม่ยินดีกับคําชมอย่างนี้ถือว่าเราผิดปกติทางอารมณ์หรือเปล่าครับคือามตามปกติแล้วถ้าไม่ยินดีก็จะดีดีกว่ายินดี เพราะว่าถ้ายินดีแล้วเวลาไม่ได้ไม่ได้รับคําชมจะเสียใจแต่ถ้าไม่ยินดีเวลาก็าไม่ชมเราเราก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็ดีตรงนั้นคุณรัชนีครับเวลาเจริญปัญญาแต่ละคนมองเรื่องไตรลักษณ์มีความต่างกันไหมครับเช่นบางคนมองว่าเป็นอนิจจังบางคนมองว่าเป็นทุกข์ในเรื่องเดียวกันครับก็มันเป็น อันนี้เหมือนเหรียญที่มันมีสองด้านจะมองจากด้านไหนก็มันก็เป็นมองเรื่องเดียวกันอันนี้จังก็นําไปสู่ความทุกข์ความทุกข์ของมันก็มาจากของที่มันเป็นอนิจจังไม่เป็นอนัตตาที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ก็แล้วแต่เราจะถนัดมองด้านไหนก็มองได้มองว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้เป้าหมายก็คือมองก็ให้เราตัดมันอย่าไปยุ่งกับมันเแม้ว่าเห็นงูอย่างนี้ยเห็นงูพิษเนี่ยเราจะเห็นว่ามัน ถ้าถูกเหมือนกันก็ตายได้เนื้อเห็นว่ามันน่าเกียดน่ากลัวก็ได้แล้วแต่เราจะมองข้อสำคัญ ก, ก็คือขอให้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเราเราอย่าเข้าใกล้มันนั่นเองทําสังฆทานเวียนญาติได้รับไหมครับได้สังฆทานนี้บางทเห็นทา ง, ทางวัดเขามีของเยอะไหมคนเยก็ไปชอยสังฆทานเยอะวัดกำรงังจะไปทําอะไรดี วัดมีการขับแทนเงินรายรายรับทางทางด้านหนึ่งมีรายจ่ายทางด้านึ่งที่ไม่มีใครถวายเช่นการน้ําข่าไฟค่ายเวรละซ่อมแซมอาคารโบสถ์ศาลาทีเดียอะไรต่างๆนี้ก็แล้วสายการทําสังฆทานเวียนนี้ช่วยช่วยบรรเทาภาละแต่ญาติโยมก็ได้บุญเหมือนกันจะไปซื้อจากที่ร้านถวายหรือซื้อจากที่วัดที่เขาจัดไว้ให้มันก็เหมือนกันญาติโยมก็ได้บุญเท่ากัน แต่ว่าจะได้ประโยชน์กว่าเพราะดีกว่าวาของสังฆทานมาตั้งไว้แล้วก็ไม่มีใครใช้เพราะมันมีมากจนเกินไปเอาไปให้ใครก็ไม่มีใครก็อยากจะได้กันเพราะมันเป็นของพระแต่ถ้าเอามาทำสังฆทานเวียนก็จะได้เงินมาเป็นมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ ว, วาามาชำระหนี้สงฆ์สงฆ์สมัยนี้มีหนี้เอะการน้ำก้าวค่า ถ้าคนงานดูแลความประค ա มชาให้กับวัดมีรายจีพายฐานร้อยแปดพันประการคุณเอกชัยบอกว่าขอแนวฝึกปฏิบัติเพื่อไม่ให้ดวงจิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสามสารวัตรเพื่าไม่ให้หลุดเพื่อให้หลุดพ้นเพื่อให้ดวงจิตหุดพ้นก็คือถ้าไม่ไม่ให้ดวงจิตหลุดพร้นก็ไม่ต้องปฏิบัติเลยไปไปหาโลกธรรม หาลาภยศระเสน ส, สุขมันก็จะไม่หนุดคนถ้าอากจะลุกโถยก็ต้องออกจากการหาลาภุญสะเสน ส, สุขแล้วให้ไปหาความสง บ, บแทนจากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาจะวางจิตยอย่างไรครับเมื่อลูกหลานเจ็บป่วยครับก็เป็นธรรมดาไงพระอาจาสงสัยเราพิจารณาเรื่องเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา ลงพ้นความแกความเจ็บความตายไปไม่ได้จะ่มาวายวายมาเศร้าโศกเสียใจมัก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ทําใจให้นิน่งๆเฉยๆไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปทำอะไรได้ก็ทําไปถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไปให้เป็นไปายตามตามความเป็นจริงของร่างกายคุณตีครับบอกว่าขอธรรมะเอาชนะความกลัวในใจครับ ก็เริ่มต้นแค่คือใช้สติก็ได้เมื่อเกิดความกลัวก็ให้ทําพุโทโธพุธโทโธไปสวดมนต์ไปพุทเจ้าบอกว่ า, วาถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้สวดอิติปิโสให้เรานลกถึงพระพุทธคุณถ้าเรานลกถึงพระพุทธคุณแล้วยังไม่หายกลัวก็เราเลกถึงพระธรรมคุณพระธรรมคุณยังไม่หายก็ให้เราเลิกถึงพระสังฆคุณถ้าทั้งสามยังไม่หายก็ลอบใหม่เริ่มลอบใหม่สวดไปเรื่อย ถ้าเส็จไปรื่อยสักพักเหนื่อใจก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาความกลัวก็จะหายไปอันนี้เป็นหายแบบชั่อข่าวเดี๋ยวก็พอไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัวมันก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาว่าเรากลัวอะไรกลัวความตายเหรือเราต้องพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ตายได้ยังไงแล้วห้ามมันไม่ให้ตายได้หรือเปล่าแล้วก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความตายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา พอเรายอมตายนะยอมรับความตายนะความกลัวก็จะหายไปอย่างถาวรใจมีแต่คิดสร้างกุศลตลอดเวลาเขาถามว่าคืออะไรครับอก็คิดกุศลก็คือไม่ทราบคุณถามคุณถามเ อ, องเรามาถามให้เราตอบองนี้มันก็คําตอบมันก็อยู่ในในในคําถามนั่นแหละใจที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลนันเลย อยากทราบว่าคนที่ทําให้ประเทศชาติและคนในประเทศเดือดร้อนย่าแย่ลงไปอย่างเช่นนกักการเมืองบางกลุ่มบางคนจะมีผลกรรมเช่นไรครับมันก็ต้องกลับมาหาตนเองะไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนความเดือดร้อนไม่ต้องกลับมาหาตนเองต่อไปอาจะชาติหน้ากลับมาเกิดแต่ก็มีแต่เรื่องเดือดอร้อนวุ่นวายไปเรื่อยๆ ถ้าเราทำสมาธิภาวนาแล้วอธิษฐานขอในสิ่งที่อยากได้เช่นขอทรัพย์สินเงินทองอย่างนี้ควรหรือไม่ครับขอก็ไม่ได้ไม่ขอก็ไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นคนละเรื่องกันมันไม่ได้เป็นเหตุกับผลการภาวนานี้สิ่งที่เราจะได้รับก็คือความสงบความสุขใจที่เกิดจากความสงบไม่ได้ไม่ได้ว่าจะได้ร่ำรวยได้รได้ได้ตำแหน่งอะไรอย่างนั้นขอก็ไม่ได้ไม่ขอก็ไม่ได้ มันกลแบไปอาบน้ำแก็ขอให้กินให้อิ่ท้องขึ้นมาเนี้มันเป็นไปได้ไหมไม่ได้นั่นเราคนละเรื่องกันสังคมป่วยคนในสังคมป่วยเพราะติดยาเสพติดก่อให้เกิดความสูญเสียหายมากสังคมป่วยคนในสังคมต้องช่วยกันอย่างไรครับคนเสพยาติดคือคนป่วยเชื่อเสมอทุกคนอยากเป็นคนดีหรือเป็นคนดีเป็นทุนเดิมแต่ เสพยาก็ทําลายทุกอย่างควรใช้ให้สังคมหายป่วยอย่างไรดีครับก็ต้องพยายามให้คนระงับยาเสพติดให้ได้หาวิธีการต่างๆเช่นสอนเด็กตั้งแต่ยังไม่โตให้เห็น้วยของยาเสพติดแล้วคอยปราบปรามอย่าให้มีศับทยาเสพติดที่จะสามารถที่จะเข้าถึงไง่ายๆแล้วถ้าติดแล้วก็มีวิธีขั้นตอนของการไปช่วยบําบัด รักษาอะไรอย่างนี้ก็ทำรา้แบบนี้จะได้มากได้น้อยมันก็ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละสังคมคุณนิจรีครับบอกว่าพรุ่งนี้จะเข้าปฏิบัติกรรมฐานสามวันขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับว่าอยากเพราะว่าอยากจะทำให้ดีครับให้มีสติตลอดเวลาการปฏิบัติกรรมฐานขั้นที่หนึ่งก็คือต้องเจริญสติ แล้วก็มีศีลแปลดเป็นพื้นฐานไม่ไปหาความสุขจากการเสพนุ่มเสียงกลิ่นรสผดเถ้าชนิดต่างๆแล้วก็จารณาส ต, ติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับระหว่างเวลาแล้วก็ช่วงไหนมีเวลานั่งสมาธิก็นั่งไปถ้าไม่นั่งนี้ไม่ได้นั่งสมาธิต้องทํากิจอะไรก็ให้มีสติอยู่การทํากิจนั้นๆไปทั้งวันทั้งคืน่นคือคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอย่าให้ใจคิดได้เปื่อย อยากให้คิดฟุ้งซ่านแล้วรา่างการมาฝึกสตินำสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบเพื่อเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนเองการช่วยเหลือทางด้านการเงินกับพี่น้องอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำทานไหมครับเป็นง่ายเหมือนกันเป็นการทำทานเป็นการให้เวลาที่ใส่บาทพระท่านให้พรจะยืนรับพร แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนนั่งรับพรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับก็ทําตามเข้าไปกันแล้วกันเขานั่งรับเราก็นั่งรับไปกันครับกายสังขารของมนุษย์ที่มีภาระนีิสินจากการดํารงชีพสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไหมครับได้เรื่องเรื่องของร่างกายมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจกันแล้วเรื่องกันนีิสินนัง่งรับเพงไรถ้าสามารถ เจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญ า, าได้ก็บรรลุธรรมได้ไม่ได้ใส่บาตรให้พ่อแม่ที่เสียไปแล้วครับแต่สวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาอุทิศบุญไปพ่อแม่ได้รับบุญไหมครับไม่รู้นะเพราะว่าบุญแบบนี้พระพุทธเจ้าจไม่ได้สอนให้อุทิะสอนให้อุทิศด้วยการทำทานทำบุญทำทานคุณพรพิมลครับ ถ้าอยากถ้าความอยากเป็นกิเลสแล้วความรู้สึกชื่นชมดีใจและศรัทธาบุคคลที่ทาความดีถือว่าเป็นความต้องการหรือความคาดหวังถือว่าเป็นกิเลสไหมครับคือชื่นชมยินดีไม่เป็นกิเลสมันเป็นมุญิตาเป็นมุนิาคือความยินดีกับการทำความดีของผู้อื่นไม่ได้เป็นกิเลสอย่างไดแล้วก็ความอยากนี้มันมีความอยากที่เป็นกิเลสก็นีความอยากที่ไม่เป็นกิเลสก็นี ความอยากที่เป็นกิเลสก็คือความอยากเสพดูเสียงกลิ่นด้นี่เป็นกิเลสความอยากได้ลาบยศสารสนุษ น, นี่เป็นกิเลสแต่ความอยากทําบุญทําทางความอยากรักษาศีลความอยากไปปฏิบัติธรรม น, นี่ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องทําลายกิเลสเป็นโรคที่มีเคมีทางสมองไม่สมดุลครับร่างกายไม่รู้เมื่อไหร่ต้องหลับพักจึงตื่น ตลอดนอนน้อยสมาธิช่วยโลกนี้ได้ไหมครับไม่แน่ใจเนยเพราะว่ามันเรื่องของร่างกายต้องถามหมอเขาดีกว่าการที่เห็นพระทําพิธีปลุกเสกแล้วเกิดความไม่ศรัทธาต่อพระสงฆ์เราจะบาปและเป็นกรรมไหมครับถ้าเราไม่ศรัทธากับภาพรูปนั้นก็ไม่ก็เป็นเรื่องของเรา การไม่มีถัดทางก็เป็นการแสดงว่าเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้จากท่านไปท่านั้นเองเราก็จะไม่ได้รับความรู้รจากท่านจะไม่เป็นกา ร, กรทำบาปใดๆคาสิโนพนันทำให้สังคมต่ํารามเราจะช่วยกันติงเตือนรัฐบาลได้อย่างไรครับพูดกับคนหุ่นเหลือเสียเวลาเถอดพูดกับคนหุ่นบอกตามบอ่อนพูดไปกันเท่านั้นเลย คนมันมุ่งมั่นจะทําอย่างนี้แล้วก็แสดงหูหนวกตาบอดเต็มที่ MT นะครับแสดงว่าธรรมะธรําสอนพระเจ้าเนี่ยไม่เคยเข้าถึงใจของเขาเลยอยู่เมืองพูดแท้ๆพระเจ้าสอนระบายมันก็เป็นของที่อันตรายะไม่มีใครกลับไปถือว่าเป็นของดีที่ได้รายได้เพิ่มขึ้นสามารถนรําเงินเข้าประเทศได้มากขึ้นแล้วคิดไปอย่างนั้นเอง ไั่คิ unku, ถึงอัจฉรกรรมที่ต้องเข้ามามากมายกี่เท่าไร่ความทุกข์ความเดือดร้อนของคนที่ไม่รู้ในเช่นสามโหน้าครอบครัวไป่องารนพนานหมดเน <laughs> <c oughs> ื้อหมดตัวขึ้นมาใครจะมาเลี้ยงดูครอบครัวครับกับเรียนพระอาจารย์ครับวันอังคารผมต้องพูดเรื่องนี้ในสภานะครับพระอาจารย์แต่ผมพูดด้วยความใจสงบครับผม คนทั่วไปใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ต้องสนใจเขามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยเขาเขาจะลุกขึ้นมาค้างก็ฟังเขาไปแล้วก็พูดตามความจริงที่เรารู้ไปมีหน้าที่ทําก็ทํำไปแต่ผลทีออกมาไงก็ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดให้เสียงส่วนใหญ่มาทางที่เราทางของเราได้เรนแล้วแต่เขาฟังแล้วเขาจะมี จิตจำแนกหรือไม่เขามีจิตสำแนกเขาก็จะรู้ความโทษของการพนานว้เป็นอย่างไรคุณสมพรครับถ้าใจเราเข้าถึงธรรมใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะเบาสบายแม้จะมีเรื่องราวร้อยกว่าเรื่องในแต่ละวันที่เราต้องจัดการพูดแบบเปรียบเปรยแบบเปรียบเทียบแต่กว่าจะถึงธรรมเราต้องทําด้วยใจด้วยมือของเราก่อนโยมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับใช่ก็ต้องไปบวยเนะี่ยปฏิบัติให้ เป็นทําเข้าบมาถึงใจให้ได้เมื่อทําเข้าถึงใจแล้วใจก็จะไม่มึนหมายไปกับเหตุการณ์ต่างๆการฝึกสติต้องรักษาศีลแปดเท่านั้นหรือครับจะถึงรักษาสินห้าไม่พอหรือครับคือรักษาสินห้ามันก็ได้ไม่มากเนีเพราะสิน้ายังสามารถปล่อยให้ใจปล่อยให้กิเลสไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงขลิบได้ ถ้าเจตเดมีการเสียงรูร้เสียงกลิ่นลดกันกจะทําใจให้สงบก็ยากขึ้นแล้วต้องดยกิจกรรมทางกามอารมณ์ให้ได้ก่อนถ้าหยุดไม่ได้กิจกรรมทางกามอารมณ์ ม, มันก็จะเอาเวลาไปใช้หมดเวลาที่จะมานั่งสมาธิก็ไม่มีนั่งไม่ได้เช่นถ้าถือเสียหน้ากันนอนกับแฟนได้เย็นนี้จะนั่งสมาธิหนาดพอเห็นหน้าแฟนขึ้นมาเปลี่ยนใจนะ ก็หมดเวลาไปทั้งคืนเลยทำพอพอพอถึง ส, สินห้างยังนอนกับแฟนได้่แต่ถ้าถึงศินแปดนี่นอนไม่ได้กับใครก็ไม่ได้ก็จะเล่าเวลาที่ว่างนี้ไปนั่งไปนั่งสมาธิไปเาริญสติได้คุณสิรินครับพอดีญาติผู้ใหญ่ท่านเสียชีวิตแล้วลูกเห็นว่าลูกเขากำลังจะเอาเงินใส่ในโรงลูกเลยบอกเขาว่าอย่าเอาเงินไปใส่ ลงไปมีรูปพระเจ้าอยู่หัวอย่าเอาใส่เลยลูกลกเขาก็งงแต่เขาก็เชื่อแบบงงๆลูกๆบอกเขาว่าเอาเงินนี้ไปใส่ในตู้บริจาคในวัดดีกว่าและอุทิศบุญให้ผู้ตายจะกราบเรียนถามพระอาจารย์แนะนําเรื่องความเชื่อที่เอาเงินใส่ในให้คนตายไปใช้ว่าทําได้หรือไม่ครับมันก็จะทําก็ไดไม้มันเป็นเรื่องของความเชื่อจะว่ายอย่างไรจะถามว่ามีประโยชน์มหมไม่นประโยชน์ไต่อย่างไดใช่ไหม แต่เรื่องของความเชื่อนี่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้บางทีเขาถูกสอนกันมาอย่างนี้การสวดมนต์จำเป็นจะต้องนั่งสวดต่อหน้าพระพุทธรูปหรือว่าจะสวดได้ทุกที่ครับโดยปกติถ้าสวดแบบที่มีออกเสียงเราก็ควรจะสวดในที่ที่มันเหมาะสมต่อการสวดมนต์เหมือนกับการที่เรากินอาหารเราก็ต้องมีที่กินอาหารที่เหมาะสม แตล้วกินที่ไหนก็ได้กินข้างถนนก็ได้นอนกินก็ได้แต่มันอยู่แล้วมันไม่มันไม่อยู่แล้วมันไม่เหมาะสมนั่นเองการสวดมนต์ก็เป็นการกระทําแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ถ้าเราใช้การสวดมนต์เป็นการเจริญสติโดยสวดมนต์ในภายในใจนี่นนเราสวดได้ทุกทุกทุกอิริยาบถอยู่ที่ไหนก็สวดได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าเราสวดมนต์ ถ้าเราสวดมนต์เพื่อเป็นการเจริญสติแม้แต่เข้าห้องง้ำไปก็สวดได้อยู่ในห้องน้ำก็สวดได้ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าเป็นการกระทําแบบพิธีกรรมมันก็ต้องมีที่เหมาะสมคุณสุกี้ครับทําอย่างไรเราถึงจะเลิกความกลัวหรือลดความกลัวได้บ้างครับมันต้องถึงความตายอยู่เรื่อยๆมาเกิดมาแล้วเราต้องเจอกับความตายเป็นธรรมดา รวมพ้นความตายไปไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราที่เราจะต้องสูญเสียมันไปในวันใดวันหนึ่งแต่เราไม่ได้ตายไปกับมันสอนนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแยกตัวเราให้ออกจากร่างกายไปตัวเราคือจิตร่างกายร่างกายก็คือนิ่งน้ำลมไฟคนละคนกันร่างกายกับจิตเป็นคนละคนกันจิตนึกใจเป็นนายกายเป็นบ่าว เวลานั่งกายตายไปเจ้านายที่ใช้น่างกายไม่ได้ตายแต่กับมนันไม่ได้ตายเป็นกร่างกายสองอย่างไปเรื่อยต่อไปก็จะลดความกลัวได้วันนี้ก็มีชาวต่างประเทศคนหนึ่งก็มาถามว่าเขากลัวพ่อแม่เขาจะตายเขาคิดถึงความตายของพ่อแม่แล้วเขาเศร้ามากมันจะทํำยังไงเราก็บอกว่าต้องสอนใจเราบ่อยๆเอืนใจเราบ่อยๆว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย่วมค้นความตายไม่ได้ ถ้าเราคิดบ่อยๆแล้วมันก็จะทำให้เราร้อนเริ่ม ม, มหัดทําใจยอมรับความจริงร่อไปพอนรานอยอมรับความจริงแมาความกลัวมันก็จะหายไปเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้หลุดพ้นตัวดิฉันเองภาวนาตลอดว่าจะไม่ขอมาเกิดอีกครับ้าเป็นไปได้ก็เปบวเสิจะได้มีเวลาปฏิบัติตได้อย่างเต็มที่ ถ้ายังไม่บวชนี่มันก็เหมือนกับขับรถบนใต้ท้องใต้ใต้ใต้ทางด่วนนะรถใต้ทาง ด, วดนะ่วนเนี่ยวันที่การนแผ่นนิ้นไหวนี่มันยังไงติดกันเป็นชั่วโมงใช่หมใช่ครับแต่ถ้าขึ้นทาง ด, ว ด, ด่วนนั้นปู๊บเดียวมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเวลาเป็นผู้ครองเรือนี่ถือว่าเป็นการขับรถอยู่ใต้ใต้ทาง ด, วด่วนการบวชที่เป็นเหมือนขึ้นทาง ด, วด่วน มันก็ทำอยู่แล้วมันก็ไม่มีไฟแดงไม่มีอุปสรรคขวางกัน้นมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายและรวดเร็ยวยิ่งถ้าอยากจะหลุดพ้นก็ไปบวชเถิด จ, จะไม่เสียดายกับอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสียดายมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะมันต้นเหตุของความทุกข์ของเราถ้ า, าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกขเ์เราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปต้องอยู่แบบคนขอทานให้ได้ถ้าคนอยากอยากจะหลุดพ้นจริงๆต้องอยู่แบบขอทานให้ได้ อพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธเจ้าเป็นพระราชามาหากษัตริย์ไปไปหวนเป็นอยู่แบบขอทานเมืใช้ผ้าบางสกุลไปขอข้าวเพื่กินอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีกุฏิไม่มีบ้านอยู่ก็อยู่คนไม้ไปไม่มียาก็กินยาดองน้ำมูดไป ขอคำสอนพระอาจารย์ชี้ทางรับมือกับภัยพิบัติทางโลกที่จะเกิดขึ้นบนความไม่เที่ยงในช่วงนี้ด้วยครับเตรียมตัวเถอดเตรียมตัวเตรียมใจรับมันมาอย่าไปอย่าไปอยากให้มันไม่มาให้ยินดีกับการมาของมันเราจะได้สบายใจถ้าเราไม่ยินดีเราก็จะไม่เราก็จะทุกข์ใจยินดีพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถไปห้ามมันได้ เตรมตัวทําใจเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายเท่าดีกว่าถ้าได้แบบ น, นี้ถ้ารับกับความตายแล้วใจก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายไปตลอดถ้ารับกับความตายไม่ได้ก็ทุกข์ก็เครียดไปเรื่อยๆจนวันตายวิธีที่ดีในการทําบุญให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วควรจะทําอย่างไรครับก็เ น, นี่ยแหละทำบุญทำทาน จะทำกับวัดก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับสารในราชาญก็ได้เราทำแล้วเราได้ความสุขใจความสุขใจนี้ก็คือบุญที่เราสามารถส่งไปให้กับคนที่ตายได้ส่งความสุขใจความอิ่มใจเป็นเหมือนอาหารใจความสุขใจอิ่มใจนี้เป็นเหมือนอาหารใจที่เราสามารถแ บ, บ่งให้กับคนตายได้แต่ถ้าอยากให้คนเป็นมีความสุขใจมีความอิ่มก็ต้องซื้ออาหารให้เขากิน ไม่ใช่ทำบุญแล้วก็หมอเขาว่าว่านี่เขาเทศบุญให้คุณเขาเขารับบุญไม่ได้เขารับอาหารได้ครับคุณวินครับประคองของความเมตตาช่วยอธิบายเกี่ยวกับจิตและความคิดมีความแตกต่างกันอย่างไรครับคือจิตเนี่ยมีความสามารถที่จะคิดเนี่ยจิตนี้เป็นผู้รู้จิตทำโดยธรรมชาติมีความสามารถที่จะรู้ รู้อะไรต่างๆได้เนี่ยรู้เรื่องคนนี้รู้เรื่องคนนี้คือเรื่องเจ็ดผู้เดียวท่านั้นที่มีความสามารถที่จะรู้อย่างอืนไม่มีความสามารถที่จะรู้ร่างกายของเรานี้ไม่มีความสามารถที่จะรู้อะไรเลยเพราะไม่มีมันไม่มีความสามารถนันแต่จิตนอกจากมีความสามารถที่จะรู้แล้วยังมีความสามารถที่จะคิดได้ด้วยมีมีความสามารถที่ยังมีความรู้สึกนึกคิดได้ นี่คือธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้จิตเป็นธาตุรู้การทานข้าวให้คนตายได้ยินมาว่าเปรตเท่านั้นที่จะได้รับส่วนบุญจริงไหมครับใช่เพราะว่าเปรตเท่านั้นที่เป็นผู้ที่มาขอบุญเท่า น, นั้นยังมาขอบุญไม่ได้ถ้าไปตกนรกก็เหมือนไปเด็ดคุกก็ไม่ปล่อยให้ออกมาถ้าไปสวรรค์ก็เหมือนไปท่องเที่ยวไปกินอยู่ลงแรมห้าดาวก็ไม่มีใครจะป็นจะนั่งมาขอบุญจากใคร ถ้าไปสวรรค์ก็ไปไหนก็ไปอยู่โรงแรมห้างดาวไปเที่ยวครับมีคนตายคนเอาข้าวไปให้เขาจะได้ข้าวไหมครับไม่ได้ข้าวต้องเอาเอาข้าวนี้ไปใส่บาตรไปทําบุญแล้ว เ, เอาความสุขที่ได้จากการทําบุญนี้ส่งมให้เขาได้ความสุขใจอิ่มใจ ทำบุญกับวัดผ่านออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานได้บุญเหมือนกันกับทำทิศทามือต่อมือโยมเข้าใจแบบนี้ถูกต้อง่ใช่ไหมครับโยมทำบุญกับวัดทางออนไลน์รู้สึกได้รับความสุขความสบายใจเช่นกันครับใช่เหมือนกันสำับนี้เรามีสือที่เราไม่สามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องไปถึงที่วัดโดยโดยโดยตัวเราเราเองสามารถเอาเงินเข้าบัญชีให้กับวัดได้ลย ขอพระอาจารย์อธิบายเหตุปัจจัยที่ทำให้เราต้องมาเกิดอีกครับเก็ความอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากลาบยศสตัตเสริญนี่ถ้าเรายังต้องการความสุขเหล่านี้อยู่เราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเราต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายซึ่งไม่มีใครมีได้นอกจากร่างกายของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานะ เราไม่สามารถมันเกิดเป็นต้นไม้ได้เพราะต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกเลี้ยกายให้เราใช้เป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่กลับมาเกิดนี้แต่ถ้าเรายังมีความอยากการจะเสพรูเสียงกลิ่นต้นอยู่เราก็จะต้องกลับมามีร่างกายมาเกิดใหมอ่อีกเมื่อโอนเงินทำบุญกับใส่บาทอุทิศให้ผู้ร่วงลับจะได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันถ้าเป็นการทำบุญทำทานนี่ ทำในลักษณะไหนก็ได้เหมือนกันโยมปฏิบัติธรรมมาหลายปีแต่จิตยังติดสงบไปวัดบางครั้งเจอคนพูดมากแล้วรู้สึกวุ่นวายครับก็คือการติดสงบกับวารวุ่นวายนี่มันคนละเรื่องกันนะมันความสงบนี้ถ้าเราติดความสงบแล้วก็ไปหาที่สงบสิล้วไปอยู่ที่มันวุ่นวายทาไม การรักษาศีลห้าถ้าเราไม่ได้สวดบทศีลห้าแต่เราไม่ได้ทำผิดศีลถือเป็นการรักษาศีลห้าไหมครับใช่การรักษาก็คือการไม่กระทำนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่จำเป็นจะต้องสมาทานไม่จำเป็นจะต้องท่องก่อนวันนี้จะจะรักษาศีลห้าให้รู้อยู่ก่ใจว่าเราจะไม่รักเราจะไม่ทำบาปครั้นี้ก็ถือว่าเรามีการรักษาศีลนะ เรจะรู้ว่ารักษาได้หรือไม่ได้ก็ตามที่มีอะไรมา ท, าท้าทายเช่นโยมมากัดนี่เราจะตกมนันหรือไม่ <Bett any> an> การทําบุญร้อยวันหลังจากเสียชีวิตแล้วเป็นการกําหนดเพื่อวัตถุประสงค์อย่างไรครับก็เพื่อจะให้เราได้เม่ไม่เลือนเรื่องเองคนที่ตายไปนะฮะเพื่อเขายัางรอรับส่วนบุญอยู่แล้วก็จะได้ทําให้เขาไปบางบ้านเขาทำอไม่เรื่อยๆทำทุกวันก็มี ชาบ้านนี้ก็จะใส่บาทุกวันแล้วก็อุทิศบุญให้กับปญยามันนาปุญาตาใาญที่ล่วงลับไปแล้วอดีตเคยทําผิดพลาดครับปัจจุบันยังยึดติดอยู่กับอดีตจะปล่อยวางอย่างไรดีครับอดีตมันผ่านไปแล้วเราไปแก้มันไม่ได้เตรียมตัวรับผลบาป ท, ที่เราทำในอดีตเพราะมันทําไดวันหนึ่งก็จะต้องส่งผลขึ้นมา การทําทานต่างๆถือเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นไหนอย่างไรครับหากเทียบเคียงกับสมากับทานศีลสมาธิปัญญาสี่คำนี้มีระดับความต่างของบุญหรือเปล่าครับอย่างไรครับก็ต่างเลยการทำทานก็คือการฉลากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ส่วนใหญ่เป็นโทษเป็นภัยกับกับเราเพราะเราไปใช้ในทางที่ผิดเราไปใช้ในการตอบสนองกิเลส ต, ตัณหา ที่เป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตางเกิดที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องการลดตัวกิเลสตัณหาตัวนี้ด้วยการทําทานสินก็เป็นการค่าเป็นการกำจัดกิเลสที่เกิดจากการเบียดเบียนผู้อื่นเวลาเราเกิดความอยากได้สินนั้นสินนี้บางทีเราก็ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่เราต้องการเึ่นคอร์รัปชันโกงกินนี่ก็เกิดจากการไม่มีสินเอง แตถ้าเรามีศีลเราก็จะกําจัดด้วยการขัดความความอยากที่จะไปคอร์รัปชันกองกินได้ก็เป็นกิเลสแล้วก็กำจัดกิเลสอีกระดับหนึ่งแล้วก็ไมากาจัดกิเลสด้วยการทําใจให้สงบเ ใ, ใจสงบกิเลสที่เคยทํางานอยู่ในใจก็จะยุดิต้องหยุดชั่วข่าวแต่ยังไม่ตายเพียงแต่ถูกระงับไว้ด้วยกําลังของสติพอออกจากสมาธิมันกิเลสก็ออกมาทํางานต่อ ถ้าอยากจะให้กิเลส ท, ที่เหลืออยู่ในใจนี่หมดไปก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาให้เห็นว่ากิเลสเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นตัวที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดและสิ่งที่กิเลสอย่างได้ก็เป็นก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วก่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเห็นโทษของกิเลสเห็นเห็นทุกข์ในสิ่งที่กิเลสอย่างได้ก็จะตัดความอยาก ตกิเลสให้หมดไปจากใจได้มันเป็นเรื่องของการตัดกินเลสทั้งทุกขั้นตอนเนี่ยเรื่องของทางก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่เรามีอยู่เรื่องของศีลก็เกี่ยวกับเรื่องการกระทาทางกายทางวาจาที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเรื่องของสมาธิก็เหมือนกันเป็นเรื่องที่จิตที่กินเลสอาศัยความคิดปลูกแต่งมาใช้เป็นเครื่องสร้างสร้างกินเลสสร้างความทุกข์ให้กับใจ แล้วเรื่องปัญญาก็เหมือนกันฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับก็ไม่รู้จะตอบยังไเนี่ยจริงไม่จริงบางคนก็ต้องต้องพิสูจน์ดูนี่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ก็นับดูว่าเฉยๆกันละไม่รู้ว่าจริงไม่จริงก็ไม่ไม่รู้ว่าจริงหรืไม่จริงไปอย่าไปสรุปโดยที่เรายังไม่สามารถหาข้อ หาหาหลักฐานมานพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ชอบเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิในวันอาทิตย์แต่ถูกคนรอบข้างมองว่าทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขจะทําอย่างไรคะทางบ้านชอบเข้าวัดอยู่คนเดียวครับ เ, ออเราก็ไม่ได้ไปทําให้เ้าเดือดร้อนไม่ใช่เลยเราไปเข้าวัดเนี่ยเราไม่ได้ไปตีเขาไม่ได้ไปทําทําร้ายเคขาเขาจะไม่มีความสุขมันก็เรื่องของเขา เขาบอกก็เถถ้าอยากจะมีความสุขก็ตามเราไปวัดสิไปวัดนี่แล้วมีความสุขจะตายไ ป, ปชวนเข้าไปด้วยคนไม่มีความสุขเราไปกันเราเลยไปที่วัดเนี่ยไปหาความสุขกันความสุขที่วัดนี่มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ที่ในในร้านอาหารในในในบ่อนการพ น, นันในในบ้ารในผับ ก, การชอบนอนนี่เป็นกิเลสไหมครับ ถ้ามากเกินไปก็เป็นกิเลสเป็นความเกียจคร้านเสียเสียด้เวลานมีค่าที่จะมาทําคุณทำประโยชน์ทั้งหมดไปกับการหลับนอนคุณประชาะครับจะคําแผ่มเมตตาว่าใครมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์จะปฏิบัติความให้เป็นรู ป, ปรธรรมช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้เฉพาะกรณีเขาต้องการให้เราช่วยเท่านั้นส่วนกรณีอื่นก็ได้แต่คอยสังเกตดูปฏิบัติแบบนี้เหมาะสมไหมครับ ก็ตามที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วนี่ที่ไหนเขาถูกเดือดร้อนแล้วก็ไปช่วยเขาเลยเราก็รู้ว่าเขาต้องการการช่วยเหลืออย่างแน่นอนเวลาน้ําท่วมเราก็ไปช่วยเหลือกันใช่ไหมเวลาไฟไหม้เราก็ไปช่วยเหลือกันเวลาที่ไหนมีทุกข์เราอยากจะช่วยก็บรรเทาทุกข์ให้กับเขาแล้วก็ส่งเงินไปส่งของไปก็ได้หรือไปช่วยด้วยกําลังกลายก็ได้เป็นอาสาสมัคร บวชเป็นพระแล้วมาอยู่ที่บ้านมีภรรยาอยู่ด้วยอยู่กันสองคนในบ้านผิดวินัยส่งไหมครับอันนี้เขาไม่เรีว่าบวชแล้วเขเรียกว่าเบียดอินตเาเอาผ้าอาผ้าเลยว่าห่มนั่นเองมันอยู่กับภรรยาจะทําทอะไรกับภรรยาถ้าไม่นอนร่วมกันเห็นไหมก็ปาลาเชกแล้วขาดจากการเป็นพรนะแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทํำก็ตามแต่ แต่รูปแบบของมันมันมันมันเหมือนกับมันมันมปฏิเสธไม่ไดนะ้เพราะไม่มีใครรู้จริจรงๆว่าเรานอนกับแฟนหรือไม่เขาะว่าต้องสรุปแล้วว่าถ้ามันนอนอยู่ที่บ้านกับแฟนมันก็ต้องเป็นการร่วมเพศกันอยู่ยดีก็ไม่ถือว่าเป็นการเป็นพระอยู่แล้วถ้าอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ว่ไม่ได้ร่วมเพศกับภรรยาก็อยู่วัดเสิอย่ามาอยู่กับภรรยาที่บ้านอย่างนี้ก็ยังเป็นพระได้อยู่เป็นพระนี่ห้ามนอนที่อื่น หลายคืนอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ไมได้ยกเว้นถ้าเกิดฉุกเฉินเดินทางไปแล้วไม่มีที่ไหนที่พระ ก, การจะพักในบ้านของคารวะแต่ควรจะเป็นห้องจัดแยกไว้อยู่คนเดียวจะดีกว่าแต่พระบางรูปท่านก็ของการกดอยู่นอน อ, อยู่สนามหญ้าที่วัดที่นั่นดีกว่าือไม่ควรที่เข้าเรือนไม่ควรไปหลับนอนในเรือนของคารวะอาจจะใน นอกจากคารวะในบ้านบ้านพักเราจัดแยกไว้เป็นส่วนไว้ถวายพระเวลาพระเดินทาง ม, มาไกลแล้วไม่มีที่พักก็ไปอยู่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ไปหาอยู่ตามวัดจะดีกว่าทำอาหารแต่ไม่มีเวลาไปวัดแต่หนูฝากยายข้างบ้านใส่เป็นโปแบบนี้ได้บุญไหมครับได้ถ้าเป็นอาหารที่เราทําเป็นของเราเราก็ได้บุญที่เกิดจากการเสียสละ ทำทานทำอาหารแต่สิ่งที่เราไม่ได้ก็คือความเพียรคือการไปใส่บาตรด้วยตัวของเราเองอันนี้เราฝากคนอื่นเขาทำให้กับเราส่วนนี้คนนึ่งก็จะได้ไปแทนแทนเราเราไม่ได้ส่วนนี้คุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ถ้าเอาเงินของแม่ที่แม่สะสมไว้ไปทำบุญอย่างนี้แม่ได้รับบุญไหมครับ ไม่ได้หรอกการจะได้บุนแม่ต้องเป็นคนสั่งเองเป็นความคิดของแม่เองว่าแม่อยากจะทําบุญเอาเงินที่แม่อยู่นี่ว่าไปทําบุญแล้วแม่ต้องรับรู้ด้วยว่าได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยถึงจะได้บุญแผ่นดินไหวเป็นเรื่องธรรมชาติแผ่นดินไหวมีการกล่าวถึงในปไตยปิฎกด้วยหรือเปล่าครับพอดีโยมอ่านเจอทังสือออนไลน์แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้อ่านปฐัยปิฎกตรงสวนที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวครับ เราก็ไม่ได้ศึกษาพระใตไปโฎกรายละเอียขนาดนั้นแต่จากที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องตายรักครั้ง น, นี้มันก็คุมไปหมดหนะตายรักก็คือปรากฏการทางธรรมชาติอานัตตายินฟ้ากาศน้ำน้าท่วมฝนตกแด ด, ด อ, ออกนี่ถือว่าเป็นอยู่ภายใต้กฎตายรักทั้งหมดแฟนบอกเลิกเพราะเหตุผลว่าอยากมีเวลาในการปฏิบัติธรรม บอกว่าเราสองคนมีศีลไม่เสมอกันเราควรจะทำยังไงดีครับก็คนอจะนิมนต์ทนายินดีกับเขาเขาจะทำบุญเราอย่าไปขวางเขาเขาอยากจะไปนิพพานเราก็ควรจะสนับสนุนเขาทุกสิ้นเดือนทำบุญกับโรงพยาบาลโรงเรียนใส่บาตรพระให้พ่อกับแม่ใจอิ่มฟูความอยากมีอยากได้อยากเป็นลดลงจริงครับรักษาศีลห้าแต่ยังไม่ได้นั่งสมาธิต่อเนื่องนะครับ ก็ ล, ลองพยายามควบบังคับใจให้ลองนั่งบ่อยๆ อ, อาจจะนั่งทุกคืนทุกวันไปก่อนก็ได้วันละารั้งสองครั้ ง, งแล้วต่อไปถ้าได้ผลดีก็อาจจะขอปฏิบัติในวันพระอย่างแตรูปแบบก็ได้ทำบุญครบรอบวันตายของญาติที่ตายไปแล้วผู้ตายจะได้รับผลที่ทำส่งไปให้ไหมครับและจะต้องทำกี่ปีครับ ก็จะแล้วแต่เขาว่าเขามารอรับส่วนบุญนี่หรือไม่บางคนก็เอาไปเกิดนะเขาก็ไม่มารับรับส่วนบุญบางคนอยู่ในสวรรค์ยอยู่เขาก็ไม่ต้องาทำบุญของเราคนที่จะมาขอบุญก็คือขอทานทางจิตตวิญญาณที่เรา เ, เ, เ ร, รียกว่าเปรดตถ้าก็อยู่ในสภาพนั้นเขาก็ยังอาจจะมารอรับส่วนบุญอยู่ก็ได้ผิดศีลก็ห้าบ่อยๆจะบาปไหมครับห้าคือการเด็ดสลราใช่ไหมครับ การดื่มสุราคาจริงท่านดื่มแล้วไม่ไปทำอะไรให้คนอื่นเสียหายก็ยังไม่บาปเช่นดื่มสุราเสร็จแล้วก็นอนเข้านอนอย่างนี้ก็ไม่มีไม่เปแม่บาปบาปนี้มีคำจึงมีอยู่แค่สี่ข้อคือไปทําร้ายผู้อื่นไปฆ่าเขาไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดในกรรมไยุ่งเกี่ยวสามีภรรยาของผู้อื่นเนื่ยไปโกหมเราของผู้อื่นอันนี้เป็นการกระทําบาป แต่การหนึบชโลายามาตามลําพังแล้วมันยังไม่ยังไม่เป็นบาปแต่มันจะเป็นเหตุที่จะไปทําให้เกิดการกระทําบาปได้ง่ายขึ้นเพราะเวลาเกิดหนึงชโลแล้วลาาาเกิดอาการหมึนเมาขึ้นมาการมีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอยากจะทําบาปมันก็จะยำยำได้ยากกว่าถวายพระไตรให้บรรพบุรุษร่วงรับหลายคนจะได้รับบุญเท่ากันไหมครับก็แบ่งกันไง ตำแหน่งกันก็เท่ากันอยากจะไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ครับขอคนแนะนําด้วยครับที่ว่าช่องก็มีการมีสถานที่ให้ปฏิบัติธรรมได้ที่ว่านี่มีหอพักเป็นเป็นเหมือนเป็นห้อง้องให้ศรัทธาญาติโยมทั้งชายหญิงมาอยู่ได้แต่ยญาตเรียนอยู่กันแล้วก็มีเวลาให้นองโบสถ์เช้าเย็ยนว่าพระสดนั่งสมาธิ ถ้าเป็นวันสาวันอาทิย์ก็มาฟังเทศฟังารมเทศนาปกติเราได้ไม่วันพระอันนี้ถามคล้ายๆคนเดิมนะครับแต่อาจจะเพิ่งมาฟังว่าถวายสังฆท า, านเวียนได้บุญไหมนะครับได้ได้บุญบวชเป็นพระแล้วศึกทําแบบนี้หลายๆครั้งแล้วได้หรือไม่ผิดวินัยสงฆ์ไหมครับไม่ผิดอย่างเพีย ง, ยยงแต่ว่าบางหือนกับชักเข้าชากอ เวลมันเป็นพักกับมันชักเข้าไปพอเอาสึกออกมาก็ชักออกมาเข้าๆออกๆก็เลยไม่ได้เลยทั้งอย่างทางโลกก็ไม่ได้ดีทางธรรมก็ไม่ได้ดีเอออย่าไปยุ่งกับชายสามบทถ์นะว่าเมื่อสามารถเลือกทางในทางหนึ่งได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพ อ, พอหยุดพอโบสถก็อยากจะสึกพอสึกก็อยากจะบวถ ก่อนนั่งสมาธิควรสวดมนต์ก่อนไหมหรือนั่งได้เลยครับถ้านั่งได้เลยก็ไม่ต้องสวดถ้านั่งแล้วมันไม่สามารถนั่งได้ใจฟุ้งซ่าน ก, ก็ใช้การสวดมนต์ไปโดยสวดในท่านั่งสมาธินี่นนั่งหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงสวดไปเรื่อยๆจนกวารรู้สึกว่าใจเริ่มสงบก็เปลี่ยนมาดูรวมหายใจเข้าออก วันพระรับกิจนิมนต์ได้ไหมครับพอคนมาใส่บาทก็ไม่ได้ใส่ครับก็แล้วแต่ว่าชขามีนโ<ม>ยบายอย่างไรบางว่าเขาก็รับบางว่าเขาก็ไม่รับวันก่อนเห็นคลิปป้าจารย์มีคนนิมนต์ไปที่สวนแสงทับแล้วะอาจารย์ไม่ไปนะครับป้าจานก็ไปทำไมมีญาติยมนิมนต์เราอยู่เนี่ยวันวันอาทิตย์เลี้ยงนิมนต์ตั้งห้าร้อยกว่าคน ถ้าเราไปแล้วก็จะเขาจะไปหาเราได้ที่ไหนะครับก็วุ่นวายไปบ้างแต่ทาตัวให้เราเป็นเป็นแบบว่ามีมีหนักมีเจนคนเขาอยากจะใส่บาตรวันไหนเขาก็จะมาใส่ได้ทันทีไม่ ง, งั้นก็คอยมาเช็คตารางดูวันนี้อาจารย์อยู่ว่านหรือเปล่าวันนี้อาจารย์บินบาทหรือเปล่าครับเมืแต่เรามาบวชเนี่ยเราไม่เคยรับกิดเลยรับบ้างแต่น้อยบ้าง รับด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้รับด้วยความยินดีก็ทํางต้องการจะรับวันนี้เข้าใจเรื่องจิตดับเป็นครั้งแรกเลยนะครับอาจารย์ครับคุณแม่เสียไปเป็นสิบ ป, ปีแล้วทําไมบางครั้งยังคิดถึงคุณแม่อยู่ครับก็ความจําของเราความนึกคิดของเราเนะี่ยอย่างความผูกพันของเราอยู่ก็าคิดได้ เราก็ยังคิดอยู่เรื่อยๆพ่อตายเป็นต้งหลายสิบีแล้วก็คิดถึงพ่อได้แม่ตายไปก็คิดได้คิดถึงเองคุณของท่านคิดถึงความดีของท่านแล้วทําให้เรามีความรู้สึกสุขใจการปฏิบัติเจริญสมาธิและภาวนาถ้าเราทําเหตุถูกต้องผลแห่งการปฏิบัติเกิดเป็นอัตโนมัติเช่นทําบุญใส่บาตรเป็นกิจวัตรเมตตากรุณาและวางอุเบกขามากขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับ ใช่การดำโมไม่ในการเจารานความเมตตาการุณนนาแล้วก็อุเบกขาเนี่ยพรหมวิหารสีเราจะเตรียมรับมือกับวิบากกรรมของเรายัางไงได้บ้างครับเตรียมใจไงอะไรจะเกิดก็เกิดใครจดาเราก็ปล่อยก็ด่าไปไม่ต้องต่อต้านสักแต่ว่ารู้ไปดินที่สุวิธีรับกับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือใช้อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไป ใครก็ด่าเราก็รับไปใครก็อย่างที่มีมีคําสอนเราว่าถ้าก็ไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ด่าเราถ้าเขาดา่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดเวนหมดกรรมกันไ ป, ไปทันทีคิดแบบนี้ กราบขอความรู้เพื่อระ ง, งับความโกรธในใจของหนูครับเพิ่งพบเจอคนที่ใช้ความรู้ทางธรรมเข้าหาแฟนเพื่อทําให้เกิดความเชื่อว่าบุคคล น, นั้นเคร่งครัดในการปฏิบัติรักษาสี่ห้าและแฟนคิดว่าเขาเข้ามาเป็นการลัคนามิตรที่ดีพอมารู้อีกทีคือเขาทําแบบนั้นเพราะอยากให้แฟนเราสนใจเขาว่าเป็นคนในธรรมเหมือนกันจะได้มีเรื่องที่สามารถพูดคุยกับแฟนเราได้เขาชอบแฟนเรานั่นเองเราควรทําอย่างไรดีกับเรื่องนี้ เพื่อให้จิตใจสงบครับไม่ทำใจว่าเราห้ามแฟเราไม่ได้แฟนเราเป็นอนิจามาวนับตาถ้าเราไม่อยากจะไปห้ามก็เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็าปล่อยไปว่าถ้าเขาอยากจะสนใจคุยกันก็อยากจะมีอะไรกันก็ปเป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงไปใจเราก็จะไม่ถุกแต่ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ยุ่งกันไม่มีอะไรกันแล้วเราก็คอยมาเฝ้าดู กังวลอยู่เรื่ยๆเราก็จะไม่มีความสุขอยู่อย่างไม่มีความสุขแต่ถ้าเราโปร่งเสียได้ว่ปร่งนิดจังแฟนเรามันไม่มันไม่ไมแน่นอนวันนีเขาอาจจะไปชอบคนอื่นด้วยก็ได้นัเรื่องของเขาอย่าไปอยากให้เขาไม่ชอบไม่ชอบคนอื่นเขาจะทำอะไรก็ปล่อยก็ทําไปเราต้องปล่อยวางปล่อยวางแฟนให้ได้ถ้าปล่อยได้ใจเราก็จะสงบ อยากถามว่าอยากไปปฏิบัติธรรมหรือว่าถือศีลตลอดชีวิตแต่เรายังมีภาระนิสิตินแล้วเราไปอย่างนี้เป็นบาปไหมครับก็เราต้องปรับปรับความอยากให้เข้ากับความจริงที่เราทําอยู่ถ้ายังมีนิสิตินอยู่เราไปบวช น, นี่มันก็เขาก็จะมาคอยตามนีสเราอยู่เรื่อยการบวชของเราก็จะไม่ไม่สงบเราะจะต้องคอยวุ่นวายกับคนที่มาคอยตามนีสิตอยู่เรื่อ ย, ย, ยแล้วส่วนใหญ่แล้วคนจะ กวรจะเขาเรียกอะไรให้ภาท่ากรณีต่างๆที่มีไว้นัดให้มันหมดสึ้นไปก่อนแล้วก็ไปบวชจะดีกว่าหรืไปอยู่วัดถ้าเราถือฝีห้าแต่ซื้อเบียรให้ทีมงานคนละหนึ่งกระป๋องสองกระป๋องแบบนี้ผิดศีลควรทําหรือไม่ควรทําให้เฉพาะเมื่อมีงานและให้หลังเสร็จงานครับคือเราไม่ผิดศีลเพราะเราไม่ได้ดื่มแต่การส่งเสริมให้คนอื่นมันก็ไม่ดีเหมือนกัน ทองซื้อซื้อเบียร์คซื้อน้ำน้ำผลไม้ก็ได้เป็นคุณในประโยชน์กับเขาดีกว่าทางร่างกายและจิตใจทำไปไปซื้อเของที่เป็นพิษเป็นพายต่อร่างกายและจิตใจให้เขาเป็นญาพิษเนี่ยเบียก็เป็นเหมือนยาพิษนี่คําถามเรื่องชายสามโบสครับคือคนที่บวชสามศาสนาพุทธกิจอิสลามอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่บวชพุทธอย่างเดียวเนี่ยแต่บวชหลายครั้งด้วยกัน บวชแล้วก็เสกเสกแล้วก็บวชไหมคือทางโลกก็ทางโลกก็อยู่ทําไม่ได้ทางธรรมก็ทําไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ไ ม, ไม่ีความเจ่งแรงทางใดทางหนึ่งการปล่อยวางร่างกายนั้นกระผมเริ่มจากการปฏิเสธการรักษาโรคและการกินยายอย่างนี้ถือเป็นโทษไหมครับไม่ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได้ เราไม่อยากจะทุกกับการรักษาก็ปล่อยมันไปไม่ถ้าไม่อยากจะทุกกับการเลงดูก็ไม่ต้องกินมันก็ได้สวดมนต์และทําสมาธิก่อนนอนทุกวันแต่ไม่ได้นั่งสวดมนต์ใช้วิธีนอนสวดได้ไหมครับมันจะได้ผลน้อยกว่าการนั่งเพราะนอนสวดมันจะทําให้นับง่ายการนั่งสวดนี่ยมันจะทําให้ไม่หลับแล้วอาจจะได้สมาธิได้ความสงบ ถ้าเรากลัวสัตว์มาทำร้ายเราจนบางครั้งเราเลยทำร้ายสัตว์ก่อนเช่นมดยุงทำอย่างไรเราจะไม่กลัวไม่อยากฆ่าสัตว์ครับฟังเรื่องพระอาจารย์เทศแล้วไม่อยากทำบาปครับก็เราดูตัวยุงกับตัวเราใครใหญ่กว่ากันนะมดกับยุงนี่มั น, ม, นมันทำร้ายเราได้หรือเปล่าอย่างมากมันก็อาจจะสร้างความลำคานให้กับเราเทัา้งเองแต่ถ้าเราไปฆ่าเขานี่มันไม่ไม่โหดได้เท่าโดนกว่าที่เขามาสร้างความลำคาญให้กับเรา เปรียบเทียบดูใครร้ายกว่ากันถ้าเราไปฆ่าเขากับเขาเพลงแต่มาลบลบกข์เรามากแล้วก็มีวิธีจัดการได้เช่นถ้ากวาดมันได้ก็กวามันไปแล้วก็ถ้ามียาที่เราสามารถโรยหรือว่าฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันขึ้นมาเราก็ทำได้แต่อย่าให้มันตายก็แล้วกัน ถ้าเราเป็นคนเตรียมอาหารให้สามีใส่บาตรอย่างนี้เรามีส่วนร่วมในบุญหรือเปล่าครับอยู่ที่ว่าเงินเป็นของใครเงินที่เสีย อ, อาหารนี่เป็นของใครถ้าเป็นของทั้งสองคนก็ได้บุญทั้งเท่ากันแต่เราอาจจะได้มากกว่าคือเราเป็นคนเตรียมอาหารด้วยเขาไม่ได้เตรียมอาหารเขาได้บุญจากการใช้สละเงนินแต่การทําอาหารนี่เราได้บุญจากการทําอาหารด้วย จากการเสียสละเงินทองซื้อของมาทำอาหารด้วยการรู้วารัตจิตเราได้ยินเป็นเสียงของเขาหรือรู้ได้ด้วยใจของเราเองครับก็รู้ว่าเขาวางควาคิดอะไรอยู่เช่นขณะ น, นี้คุณหมอยังไม่ได้อ่านคําถามก็รู้แล้วคุณหมอจะอ่านคาถามอะไรขึ้นมา คมศักรู้นะครับอาจารย์เขาบอกเขานอนสวดเพราะว่าเขามีปัญหาที่หัวเข่าครับก็ไม่ว่าอะไรไงเพียงแต่ว่าผลมันต่างกันถ้านอนสวนมันจะหลับง่ายกว่ามันจะไม่สงบพอมันจะสงบมันก็จะหลับเพราะสติไม่ค่อยดีมันสบายแต่ถ้านั่งสวดได้มันก็จะทําให้ไม่หลับแล้วก็จะได้สัความสงบแต่ไม่ผิดไม่ไม่เป็นโทษไม่เป็นบาปแต่อย่างใดแต่ผลที่จะได้นั้มันต่างกัน ขอาำอธิบายมีอาจารย์หลายท่านแนะนําให้เราแผ่เมตตาเยอะๆเพื่อให้ชีวิตดีการแผ่เมตตาในที่นี้หมายถึงการไม่โกรธเวลามีคนด่าทอรหรือทําให้เราไม่สบายใจหรือการแผ่เมตตาบดสัพเพให้กับคนและสัตว์ที่เราพบเห็นชีวิตครับต้องก า, ก, การจัดการกระทําไม่ใช่การจัดจา ก, การสวดที่เวลาไปทะเลาะวิวาสกัใคร ข, ขึ้นมาเราก oid เขาอยากจะทำร้ายเขานี่เราก็ต้องให้อภัยเขา อย่าพยทานยุกโทษอย่าไปถือโทษกดเขินกันอย่าไปจ้องเวรจองกรรมกันไม่ได้อยู่ที่การสวดการสวดนี้ยังไม่ได้ถือเป็นการแผ่เมตตาการสวดนี้เป็นวิธีภาวนาอย่างหนึ่งวิธีทําใจให้สงบหรือวิธีสอนใจให้เรารู้วิธีแผ่เมตตาว่าจะต้องแผ่อย่างไรแต่ยังไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแต่แผ่เมตตาต้องเกิดจากการกระทําเวลาพบปะกันต้องมีปัญหาต่อกันก็ให้อภัยกันไป ธรรมะสำหรับคนอยู่คนเดียวมีอะไรแนะนำบ้างครับพระอาจารย์ก็สตินี่ไงสติกสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็สิ้นแปดถ้าอยู่คนเดียวก็เธอสิน <c oughs> ้นแปดไปเมื่อก่อนลูกเคยคิดอิจฉาญาติที่เขาตายไปแล้วคือลูกคิดว่าเขาตายแล้วเขาก็เช้าใช้กรรมเสร็จสิ้นก่อนมาวันนี้ญาติรุ่นแม่แม่เสียก็มาคิดอีกว่าต่อไปต้องถึงจิวรุ่นลูกแล้ว กราบเรียนถามลูกมีความคิดแบบนี้คือเป็นโรคซึมเศร้าไหมครับไม่เป็นหรอโกโรคซึมเศร้าเกิดจากการผิดหวังเกิดจากการไม่มีความสุขจากการที่เราอยากจะทําอะไรแล้วเราไม่ได้ทำถึงจะเกิดการซึมเศร้าขึ้นมาคนทําใจอย่างไรกับลูกนี้ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีจริงๆหรือว่ามีแล้วเขาไม่จ่ายครับ ก็ทําใจว่ามันไม่ใช่เงิ น, นองของเราแล้วเป็นเนงินของเขาเขาจะให้เราหนึ่งากก็เป็นสิทธิของเขาไปการที่เราปฏิบัติธรรมเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิและทําให้เราคาดเคล้ า, า, าอันตรายระหว่างปฏิบัติเช่นไม่ไปเหยียบสัตว์มีพิษหรือภยัยเกิดภัยระหว่างนั่งไหมครับหรือแล้วแต่กรรมครับกอนนีเราไปปฏิบัติในวัดป่ามักจะไม่มีไฟฟ้าครับเออ่ โอกาสที่จะถูกสัตว์กัดก็มีอยู่แต่อยู่ที่ว่าเราเป็สติคอยดูคอยระมัดระวังหรือเปล่าว่าเราเราเดินไปไหนก็ต้องมีสติรู้ว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้ามีสัตว์ปอะไรก็ต้องคอยคอยสังเกตด้วยแต่ถ้ามันเป็นเหตุสมริสัยมันอาจจะถูกกันได้อาจารย์ก็เคยถูกแมงู ก, กัดนะครับอาจารย์กก ทำบุญหาพ่อแม่ที่เสียไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าท่านได้รับบุญที่เราทำไปให้ครับ เ, เราต้องมีญาณอย่างทราบต้องมีสมาธิระดับอุปจารสมาธิเราก็า จ, จะรู้ได้แต่ถา้าเราไม่มีเราก็จะไม่รู้นั่งสมาธิก่อนสวดมนต์หรือสวดมนต์ก่อนค่อยนั่งสมาธิต่างกันหรือไม่ครับ คือปกติเราต้องการนั่งสมาธิเป็นหลักส่วนการสวดไม่สวดนี่อยู่ที่ว่าเวลานั่งสมาธิแล้วนั่นได้หรือไม่จิตสงบได้หรือไม่หรือจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็สวดมนต์ไปก่อนสวดให้หายฟุ้งซ่านก่อนแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปและพุทโธต่อไปให้อยู่ในนั่งอยู่ในท่านั่งสมาธิตลอดไม่ว่าจะสวดมนต์และไม่สวดบ่อยก็ตาม เหมือนกับเราใช้กรรบวชชนมนเป็นอารมณ์แทนเท่านั้นเองทำบุญในวันนั้นแล้วอุทิศบุญให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่วัดแล้วกลับมาที่บ้านอุทิศให้อีกจะมีบุญเหลือไหมครับคือบุญอุทิศนี่เราแบ่งไปได้ส่วนเดียวส่วนชนอย่าง่งนั้นเองไม่สามารถให้ไปหมดนได้ยอาน่าอุทิศกี่ครั้งก็ได้เท่านั้น สมมตอุทิศได้หนึ่งเปอร์เ็นแต่อุทิศกี่ครั้งมันก็ได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นเขาเปรียบเทียบว่าบุญอุทิศนี้เหมือนกับน้ำที่ติดอยู่ในข้างๆอยู่ในแก้วเวลาที่เราเทน้ำออกหมดจากแก้วล้น้อยมากแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลยบุญส่วนใหญ่นี้จะเป็นของเราบุญที่เราทํานี่จะอยู่กับเราเป็นส่วนใหญ่บุญที่เราส่งไปนี่เป็นส่วนน้อย เพื่อนมีครอบครัวแล้วแต่ยังติดต่อพูดคุยกับแฟนเก่าบอกความระลึกถึงกันและบอกรักกันด้วยความเมตตาแบบนี้เพื่อนจะผิดศีลข้อสามไหมครับทั้งสองคนไม่เคยเจอกันนะครับนานๆครั้งเคยเตือนเพื่อนแต่เพื่อนบอกว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เจอกันแค่ระลึกถึงความดีที่มีต่อกันเท่านั้นครับอ๋อไม่ผิดหรอกถ้ายังไม่ไป ร, ร่วมหลับนอนกันเสียข้อสามนี่จะขาดได้ก็ต่อเมื่อเราไปร่วมเพศกัน แต่การที่จะไปเกี่ยวข้องกันมันก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นการจุดไฟขึ้นมาก่อนในวันอาจจะลามตามเป็นไฟใหญ่โตขที่มาก็ได้ดังนั้นทำที่ดีก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกันเลยจะดีกว่าถ้าเรายังไม่มีความหลักแน่นพอไม่มีความมั่นใจแล้วถ้าไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องติดต่อเราก็อย่าไปติดต่อกันจะดีกว่าเพื่อที่เราจะได้รักษาศีนก็สามีรได้ง่ายขึ้น ถ้าเราไปกล้ชิดกันมากๆเนี่ยเกิดไฟเก่ามานุกขึ้นมาก็ได้น่าจะทำให้เราทำผิดจีนต่อไปถ้าเรานิมนต์พระปุถุชนมาเพื่อถวายสังฆทานกับเจาะจองถวายทานกับพระอรหันต์แบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับบุญที่เราให้ได้เราได้เท่ากันแต่บุญที่เราได้จากท่านจะแล้วแต่ว่าท่านจะมีบุญอะไรให้กับเรา ถ้าเป็นพระที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เขาก็จะไม่มีธรรมะขั้นพระอรหันต์มาแจากเราถ้านั้นเองแต่ถ้าเราทําบุญกับพระอรหันต์ท่านก็จะมีธรรมะระดับพระอรหันต์มาให้กับเรามาสอนเราการปฏิบัติธรรมบางทีก็ท้อแท้บังคับจิตใจอย่างหนักขอกําลังใจจากพระอาจารย์ช่วยแนะนําครับก็อย่าไปหวังต้องเรื่องผน มนน่าเกินเกินไปอารดั์นั้นอยู่กับการสร้างเหตุคือการปฏิบัติของเราพอเราถึงเวลาเราก็ต้องทํามันส่วนจะผลจะได้มากได้น้อยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของผลที่เกิดจากเหตุที่เราก็ทําอยู่ถ้าเหตุเราดีผลก็จะดีตามถ้าเหตุเราไม่ดีผลมันก็จะไม่ดีตามเหตุทิ้นตัวนี้ก็คือสติดังนั้นถ้าบางทีงเราปฏิบัติแล้วม่ค่อยได้ผลดีเราก็อาจจะรู้สงเกท้อแท้ ก็ icana, ให้เรามาพิจารณาว่ามันเป็นเกิจากการที่เราสติไม่ค่อยดีแล้วก็ควรที่จะมาฝึกสติให้มากขึ้นคนที่ตายไปแล้วเอากระดูกไปลอยอังคารวิญญาณยังอยู่ในน้ำจริงไหมครับไม่จริงหรอกตั้งแต่คนตายไปนี่วิญญาณกับร่างกายก็แยกไปคนละทางแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว ในบทสวดมนต์บอกว่ากรร ม, มพันธุกรร ม, มทายาดาหมายถึงหากใครทํากรรมไม่ดีกรรมจะตอบสนองต่อตัวเขารวมถึงทายาทของเขาเช่นลูกของเขาเหล่านั้นด้วยไหมครับไม่เฉพาะตัวเขาเองเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวกรมรมทายกรรมมันตอนเช้าปลุกให้พ่อลุกขึ้นไปใส่บาตรอย่างนี้บาปไหมครับเพราะว่าท่านหลับอยู่ครับก็อยู่ที่ว่าท่านสั่งไว้หรือเปล่า ถ้าท่านสั่งก็ไม่บาปเป็นการตอบสนองความต้องการของท่านแต่ถ้าท่านไม่สั่งก็ไม่ก็อาจจะไม่ควรไปปลูกท่านก็ได้ปล่อยให้ท่านนอนไปใจกลาท่านจะสั่งในภายหลังว่าต่อไปได้ช่วยปลุกเราหน่อยนะเราอยากจะใส่บายเราค่อยปลูกท่านก็ได้มาละมาห่าง พูดได้ครับพูดได้กั็พูดไปกันนะท่ า, ไาไนได้ยินครับ เ, เรื่องการไปแล้วครับ <laughs> เรื่องการถวายน้ําเปล่าแด่พระพุทธรูปบนหิ้งพระในบ้านเราเองด้วยครับอาจารย์ครับอถวายก็ไม่ถวายก็ไม่ได้ผลเหมือนกันะถ้าอยากจะถวายท่องให้พระพุทธเจ้า ก, ก็ไปใส่บาตรแทนเหมือนกับ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครอยากจะรักษาเราก็รักษาพระป่วยไปแต่ก็ถือว่าได้รักษาพระพุทธเจ้าเนก็คงจะมาในแนวเดียวกันถ้าอยากให้พระพุทธเจ้ามีอาหารกินก็ไปใส่บาทให้กับพระสงฆ์ในพระสงฆ์ก็ทักของในพระพุทธเจ้ารักษาพระรักษาพระสงฆ์ก็ทากับรักษาพระพุทธเจ้าถ้าเราถือศีลห้าแต่ไม่ได้สมาทานศีลถือว่าศีลสมบูรณ์ไหมครับ ศีลจะสมมุนไม่สมุนอยู่ที่การรักษาไม่ได้อยู่ที่การสมาทานก่อนวันพระฝันเห็นเปรดสองตัวทําบุญโดยใส่บาตรตอนเช้าเขาจะได้รับบุญไหมครับก็เรากต้องอุทิศให้กับเขานูเราเป็นเปรตจริงหรือไม่ก็กก็ก็เรื่องหนึ่งนะอาจจะเป็นเรื่องของความฝันความคิดปรุงแต่งของเราก็ได้แต่ถ้าเป็นเปรตจริงแล้วเราอุทิศให้เขาเขาก็น่าจะได้รับ ผิดสีข้อสามครับไม่อยากจะเป็นต้นนิ้วต้องทำอย่างไรครับตัดตัดตจูเท่านั้มีคนอยากทราบรายละเอียดวันเวลาสถานที่บินทบาทระอาจารย์ครับครับผมช่วงนี้ก็บินทบาทนั่ตั้งแต่เวลาประมาณอ่า ตีห้าห้าตีห้าห้าสิบตีห้าห้าสิบห้าคือก่อนห้านาทีก่อนหกโมงเช้าดีย๋ยวนี้จะเริ่มเช้าขึ้นเช้าขึ้นเพราะเข้าสู่ช่วงวันฤดูร้อนพาที่จะขึ้นเร็วขึ้นแต่ก็อยู่ประมาณช่วงบวกลบหกโมงเช้าเนี่ยแล้วก็ยาวไปถึงกว่าจะเสร็จก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงเจ็ดมงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาไม่ทันตอนที่ท่านเริ่มต้นเราก็สามารถขับรถตามไปได้เดินต้นที่ซอยนาจอมเทียนสามสิบไป แล้วก็ไปเอาซอยนาจําเทียนสามสิบสองยไงเนี้ยหรือยี่แปดนี่ยไม่รับมันเป็นเป็นถนนตัวยู่ไปจากซอยหนึ่งแล้วก็มาทะลุอีกซอยหนึ่งพระอาจารย์เส้นทางนี้พระอาจารย์คิดมาเองหรือว่ามีพระบิดาบาสมาก่อนล่วงหน้าครับพระอาจารย์ครับก็มีมีมาก่อนมีมีมีสัตยาโยมที่เป็นเจ้าจะเป็นเป็นอะไรนะเป็น ผู้ใหญ่บ้านก็ศรัทธาพระที่วัดยาธรรมกติอาจจะไม่ได้มาบิณฑบาตถึงบ้านหลวงเพื่อเพราะมันไกลแต่พอดีเริ่มมีพระเยอะแล้วการบิณฑบาตรอบรอบบริเวณวัดยาที่มันมีบ้านน้อยไม่พอฉันสมัยพระสังฆราชท่านเลยปรึกษากับพระที่เป็นหัวหน้าในช่วงนั้นว่าจะเอายังไงดีจะไปบินฑบาตหรือว่าจะให้เปิดนกทำนกทานขึ้นมาเลี้ยงพระ อาจารย์ให้าาไปพักกรรมฐานให้บอกต้องเป็นบาตจะดีกว่าแล้วพอดีมีผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ที่บ้านอำเภอนี้นี่หมดให้ไปรับเพียงแต่ว่าต้องหารถไปจำเด้ก็เลยสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่ารถต้องจ้างรถมารับพาไปบินนบาต ท, ทั้งวันครับแสดงว่ามีก่อนพระอาจารย์มาอยู่ที่วัดยานอีกใชครับก็มีก่อนไม่กี่ไม่กี่ไม่อันรี่ตอนที่เริ่มต้นกันตอนตอนี้ตอนเช้านั้นเรนไปไปพักอยู่ชั่วคราวพอดี หลังจากนั้นเราก็กลับไปอยู่บ้านตาอยู่ประมาณ1 3นาหนึ่งแล้วพอกลับมาทายนี้เขาก็ยังเป็นตบานอยู่มีผู้ฟังบอกว่าสงการปีนี้จะไปบวชที่วัดพระอาจารย์นะครับก้าเชิญยินดีต้อนรับคุณจุัรรัตบอกว่าการฝันถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วหมายถึงว่าบุคคลนั้นยังไม่ไปเกิดใช่ไหมครับ ไม่แน่นอนหรอกบางทีอาจจะเป็นเพราะเราคิดถึงเขาก็ได้คนพมก็มาหอนเพราะพวกเขาเห็นกายทิพย์อย่างนี้จริงไหมครับไม่จริงเรามมนหอนทุกวัน <c oughs> มันเหงามันเหงามากกว่ามางทีมันก็เหงาเหงากันแลก็หอยไปครับ <c oughs> อยากเดินทางพระอาจารย์ครับกลุ่มทานศีลภาวนาและกลุ่มศีลสมาธิปัญญาต่างกันอย่างไรครับ พิการศภาวนานี้ท่านสอนคารวะญาตอ ย, อยู่ผู้เคารพหนึ่งที่ยังใช้เงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์อยู่ให้เราใช้เงินทองไปดับความทุกข์ให้เอาไปทําบุญทําทานแทนส่วนถ้าเป็นพระก็สอนศีลสมาธิปัญญาก็คือศีลแล้วก็ภาวนาเนี่ภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานั้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคารวะก็เพิ่มทานในข้อหนึ่ง ทานศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นพระแล้วไม่มีเงินม่มีทางแล้วก็ไม่ต้องสอนต้องทำบุญทําทานแล้วเพราะสละไปหมดแล้วทำไปหมดแล้วก็สอนแต่ให้เจริญศีลสมาธิปัญญาต่อไปที่ข้างบ้านเปิดธรรมะเสียงดังแต่เช้าเรารําคาญอย่างนี้เป็นบาปไหมครับปกติสวดมนต์นั่งสมาธิกลางคืนแต่คนละเวลากันครับไม่ไม่คนที่เปิดจะบาปไม่ไหมนะ ก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําแล้วคนคิดรําคาญบาปไหมครับอาจารย์ไม่บาปหรอกคนคนที่รําคาญก็ทุกข์ครับหนึ่งถ้าไม่รำคาญก็ไม่ทุกข์นอกจากการเดินจงกรมดูร่างกายเคลื่อนไหวแบบชา้ชาๆอย่างชอบเดินเร็วด้วยครับแบบระมัดระวังรู้สึกมีสติดีกว่าอย่างนี้ทําได้ไหมครับพอคิดว่าสิ่ง ตัวเองต้องฝึกคือสติครับได้ทําแบบตามธรรมชาติดีกว่าอย่าไปทําแบบที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติชีวิตรประจําวันของเราเราทําอะไรเราก็ทําไปตามตามตามปกติของเราแล้วเราก็ใช้การเฝ้าดูการกระทำของเราที่มีการชำระสติไปไม่จำเป็นจะต้องมาขับให้ทํำช้าๆกินช้าๆยกข้าวขึ้นให้รู้ว่ายกยกช้อนขึ้นตักข้าวขึ้นให้รู้ว่าเข้าปากให้รู้ว่ า, า, า, วาเคี้ยวไม่ต้องทําแบบนั้นนะครับ ทำตามปกติเพียงแต่ว่าใจเราคอยเฝ้าอยู่ทุกขั้นตอนของการกระทำเพื่อใจเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆใส่บาตรพระตอนเช้าแต่ให้แม่ค้าใส่แทนและแม่ค้าบอกให้เรากวดน้ำเองอย่างนี้เราได้บุญไหมครับได้เหมือนกัน มแมลงน้ำมดฝอยปลิวมาโดนผิวหนังที่เปียกเหงือ่อด้วยความตกใจแต่ยังพอมีสติจึงใช้วิธีเป่าแต่มดตายที่คือหนังเลยอย่างนี้บาปไหมครับถ้าเราไม่มีเจตนาจะทำให้เขาตายก็ไม่บาปนะอยากสอบถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าการปฏิบัติมาถูกทางแล้วครับก็ใจมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นความโลภความโกรธความหลงว้ยลงไป พ่อเป็นคนตรหนีมากลูกๆอยากให้พ่อนําเงินเก็บมาทําบุญตอนมีชีวิตอยู่จะมีวิธีพูดอย่างไรบ้างครับขอบคําแนะนําครับเก็อยู่กับพ่อพ่อเขาอยากจะถามเราหรไหมถ้าก็ไม่ถามเราก็ไม่มีวิธีที่จะไปบอกเขานอกจากเอาธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญทําทานหนังสือทำหนะไปวางไว้ในบ้านเป็วันดีคืนดีท่านอยู่เฉยๆไม่รู้จะทําอะไรก็หยิบขึ้นมาอ่านก็ได้ เราม่เป็นลนี้ไม่สามารถที่จะไปสั่งสอนพ่อแม่ได้นอกจากพ่อแม่ถามเราแล้วก็จะบอกได้เด็กรุ่นใหม่ที่คิดว่าพ่อแม่ทําให้เขามาเกิดตัวเขาไม่ได้ขอมาเกิดควรจะบอกเด็กอย่างไรครับก็บอกว่าเป็นความคิดที่ผิดนะเพราะว่าการมาเกิดของเรานี่ถ้าแม่เขาอาจจะไม่อยากจะให้เรามาเกิดก็ได้แต่แม่เขาเราเกิดแล้วเขาไม่เรา เขาไม่ปล่อยโยนเราทิ้งในถังกรยยาก็ถก็เป็นบุญนะเพราะเลี้ยงดูเรามานี่เป็นบุญคุณกับเราไม่ได้อยู่ที่ว่าพ่อแม่ทําให้เขามาเกิดหรือไม่อยู่ที่ว่าเขาเลี้ยงดูเราหรือไม่มากกว่าถ้าเกิดเราไม่เลี้ยงดูเราเราจะอยู่ได้อย่างไรแล้วก็ตายไปเอย่างพ่อแม่บางคนไม่อยากจะเลี้ยงดูลูกก็จับยัดใส่ถุงพลาสติกโยนโยนทิ้งถังกระยากรถก็ม จิตใจชอบคิดกลัวตายลงไม่ค่อยได้ทำยังไงจะเอาชนะความคิดตัวเองไม่ให้ถูกครับชอบคิดรุงงร้านครับคื อ, อส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ใจเราไม่ค่อยสงบด้วยก็พยายามฝึกสตินั่งสมาธิไปสลับกับการปรงความตายไปด้วยต้องอาศัยทั้งสองอย่างมันจะทำให้ใจเราหายกลัวได้ เวลาออกกําลังกายใจจะฟุ้งซ่านสวดมนต์ทุกครั้งเป็นไรไหมครับไม่เป็นเลยสิเป็นการปฏิบัติไปในตัวท่านเราสวดมนต์ไปเป็นการเจริญสติอยู่คนละที่กับแฟนเพราะการทํางานถ้าแฟนจะนอกใจเราควรจะเตรียมใจยังไงดีครับก็เตรียมใจว่าเขาจะนอกใจเราสิอย่าไปโกรธเขาแล้วห้ามเขาไม่ได้อย่าไปเสียใจ เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราต้องตัดใจเราอย่าไปผูกพันกับเขาพร้อมที่จะให้เขาทําอะไรก็ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจทํางานเป็นแม่บ้านต้องฆ่ามดบ่อยๆไม่ตั้งใจแต่ต้องทําเพราะเป็นหน้าที่บาปไหมครับยังว่าไม่ตั้งใจได้ไง <laughs> ทุกท่าเอนก็บอกก็บอกแล้วนะครับตั้งใจ ที่ไม่ได้ไม่ตั้งใจหมเถือเดินไปเหยียบเขาอันนี้ถึงแมาไม่ตั้งใจแต่รู้อยู่กับใจว่าต้องทําร้ายเขาต้องกำจัดเขานี้ก็ถือมีความตั้งใจแล้วมันก็บาปเวลานั่งสมาธิเห็นแสงสีม่วงม่วอารมณ์เย็นสบายอย่างนี้ถือว่ามาถูกทางไหมครับก็เป็นเป็นเป็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้เวลานั่งสมาธิแต่ไม่ควรให้ความสําคัญไม่ควรไป ตามแสงเหล่า น, นั้นไปให้คกนกลับมาภาวนาต่อไปถ้าใช้ดูล ม, มก็ดูล ม, มต่อไปถ้าใช้พุทโธก็พุทโธต่อไปทําไปจกนกว่าจิตจะนิ่งสงบเงะว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับสัตว์เดรัจฉานทําบุญไม่ได้จริงไหมครับมีเฉพาะมนุษย์ที่ทําได้จริงไหมครับจริงเพราะว่าเขามีเขาไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีกําลังที่จะทําบุญได้เข้าของเงินทองเขาก็ไม่มีเขาหาเช้ากินค่ํา ขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟส578ท่านในยู593ในคลับเฮาส์4ในติกต็อก559รวม 1,734 ท่านนะครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา5นาทีพระอาจารย์ตอบไป118คำถามครับผมก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามนับชมนับฟังอยู่นี้คงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อย ปฏิจะได้นำมาไปใช้ในการปฏิบัติให้ดีขึ้นไปตามลาดับต่อไปการสนทนาธรรมตลวันนี้ก็คิดว่าควรสมควดแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพิพจารณานำมา ป, ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิสาธุก็ขอลาคุณหมอรับท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพกเท่านี้ ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอะไรก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในเวลาเดิมเขาจะนันท์พรานข อ, อ, น อ, นขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ